1 ตอนมูลเหตุของพระ ยังไม่มีศิษย์คนใดจะกล้าปฏิเสธๆที่ได้ปรากฏขึ้นนั้นฝังอยู่ใน จมกราก็อยู่แก่ผู้ที่น้อมตัวเข้าเป็นศิษย์ทั้งในอดีตเหลนหรือเพียงอ่านประวัติ อันจะได้นํามาเป็นตัวอย่างก็จะทําให้เกิดประโยชน์มากทีเดียว อาจจะแก้โรคให้แก่ท่านได้ในภายหลังจะแก้โรคให้แก่ท่านมากต่อมากมิใช่ ตลอดถึงลูกศิษย์ของท่านเพราะท่านพระอาจารย์มั่นนี้ท่านเป็นนักปจลภัยเพื่อ ตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถจะพรรณนาได้หมดแน่เพราะเหลือวิสัยเนื่องจากมีอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งแล้วการแนะนําพระธรรมสอนในธรรมทั้งหลายนั้นข้าพเจ้ายอมรับอย่างไม่ๆจนข้าพเจ้า เรามาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพียงเดือนเดียวแจ่มแจ้งในธรรมะดีกว่าอยู่กับท่านถึง 8 ปีแต่อะไรที่ทําให้ข้าพเจ้าต้องอุทธานออกมาเช่นนี้นี่ ชาติภูมิพุทธศักราช 2413 ท่านเกิดในตระกูลแก่นแก้วบิดา พ.ศ. 2413ณ อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องท่านเป็นคนปีท่านมีร่างกายสง่าผา จึงเป็นที่รักแก่บิดามารดาเป็นอย่างยิ่งท่านได้ไทยน้อยของจากสำนักอ่านได้ศึกษารู้เร็วจนอาออก ท่านจะเช่นเสียวสวาดเป็นต้น 3 ตอน 2428 เป็นธรรมดาอยู่เองแก่เจ็บตายการหมุน ก็หากหาแต่ความดีเท่านั้นให้เป็นทุนในการท่องเที่ยวขาแต่ความดีเท่านั้นให้เป็น บารมีได้ส่งให้พระองค์ออกบรรพชา พระอาจารย์มั่นภูริธตะเถระก็เห็น 15 ปีหลังจากบวชเป็นสามเณร 2 ปีบิดาขอร้อง 17 ปีท่าน แม้ท่านราชิกขาไปแล้วก็ลาแต่กายเท่านั้นส่วน ครั้น 22 ปีจึงท่านทั้งสองก็อนุญาตบิดามารดาผู้วัดเรียบท่านทั้งสองก็อนุญาตท่านได้อุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเป็น เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีทาชยเสโนเป็นเป 22 มิถุนายน พ.ศ. 2434 34 นามะคติอุปัชชาผู้ให้ความรู้ 4 ตอนทุธรง 2434 ท่านท่านเป็นผู้ที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอาจารย์มั่นท่านได้มาอยู่กับพระปฏิบัติ ก็อยากจะทําให้เห็นจริงเห็นจัง ท่านจึงยอมพาศิษย์ของท่านไปทุกหนทุกแห่งตาม ก็ไม่ยิ่งไปกว่าที่ท่านได้ปฏิบัติเรียนรู้มาแล้วไม่อยู่ฝั่งซ้ายไปกว่าที่ท่านได้ปฏิบัติมีหมูช้างเสือหมีผีร้ายนานาซึ่ง สมควรแก่ผู้แสวงหาบําเพ็ญสมณธรรมอยู่อาศัยจะได้ยัง ไม่ถึงกับร้ายแรงจริงท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ข้าพเจ้าท่านพระอาจารย์เสาจะต้องการตัดจีวร 7 วันจึงเสร็จพอ เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในใจว่าอยู่ด้วยกันสามองค์ก็ยิ่งกว่านั้นอาจารย์ก็ไข้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เล่าให้ฟังต่อไป เราจะมาคิดแต่แเสสายไปในทางอื่นหาควรไม่เราต้องเอาธรรมะ เพราะขณะนั้นท่านก็ยังไม่สันทัศน์ในการเจริญกรรมฐานเท่าไหร่พุทโธพุทโธพุทโธก็นึกถึงคําสอนของ กายนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่อยู่อาศัยของจิตและเป็นที่เที่ยวมาเที่ยวไปของจิตฉันนั้นถ้าจิตมัวมัวยึดถือกายนี้ว่าเป็นตนอยู่เมื่อใดย่อมได้รับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่า เพราะเรานั่งสมาธิเข้าที่โดยการเสียสละใครช่วยแล้วเราๆพอๆอยู่ครู่หนึ่งครู่ จนเหงื่อไหลออกมาเหมือนกับรถน้ําไข้ได้หายไปราวกับปลิกทิ้งนี่เป็นระงับอาพาธโดย เมื่อลูกศิษย์อาจารย์ 5 ตอนสถาปนาพระธาตุพนมท่าน เช่นภูไทยไทยดำลาวซ่องท่านเล่าว่าภูไทยมีศรัทธาดีกว่าทั้งนั้นเขาให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ก็นับว่าดี ก็ยังหาที่พึ่งแก่ตนยังไม่ได้จะไปสอนผู้อื่นไม่เห็นธรรมะของจริงยังหาที่พึ่งแก่ ท่านเล่าไปเคี้ยวหมากไปอย่างอรอมดีว่า 4-5 ทุ่ม จะปรากฏมีแสงสีเขียววงกลมเท่ากับลูกมะพร้าวและมีรัศมีสว่างเป็นทางพุ่ง ได้เห็นเป็นประจักษ์เช่นนี้ทุกๆวันท่านมี 2 องค์เท่านั้นและมีตา ท่านจึงมีโอกาสเล่าเรื่องราวเบื้องหลังให้ข้าพเจ้าฟังซึ่งน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างอาจารย์ จึงไม่ค่อยจะเต็มตึงเท่าไหร่นักพนมเขตจังหวัดนครพนมแล้วท่านก็พาข้าพเจ้าพักอยู่ซึ่ง และส่วนมากก็เป็นชาวนาได้มาช่วยกันขาดขวางทํา ซึ่งขณะนั้นผู้คนแถวนั้นยังไม่รู้ถึงวัน และทําก่อนท่านจะกลับประเทศไทยเกิดอนุสรณ์รําลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ วันหนึ่งจิตของท่านได้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขณะที่จิตถอยออกจากอัปปนาสมาธิแล้วได้ปรากฏความรู้จิต ก็รวมลงเป็นอัปปนาสมาธิอีก ท่านทั้งสามก็ได้ออกเดินทางจาริกต่อไปทั้ง 3 แต่ก็ยังไม่สมความตั้งใจไว้ได้ออกเดิน ธุดงค์แสวง 2454 ความไม่หยุดยั้งมุ่งหวัง ในการมุมานะแท้ว่าจะหมดหนทางอยู่แล้วก็ตามแท้จริงพระธรรมคําสั่งสอน พร้อมทั้งแนะแนวทางแต่ท่านก็ยังรู้สึกตัวเองว่า ไปจนถึงเวลา 11 ถึงเวลา 17:00 น. ตอนกลางคืนหลัง 5 ทุ่มหรือกว่านั้นว่าเราอาจจะมี อาจจะรู้ใจของข้าพเจ้าที่ 2454 ท่านภูริทัตเทระอาจารย์และมีชื่อว่ามั่นภูริทัตตะเถระเหมือน แต่ปัจจุบันท่านรูปนั้นยังมีชีวิตอยู่โดยต้องถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเดิน เมื่อก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีจุดหมายชีวิตร่วมกันแล้วก็ออกเดินทางต่อไป เมื่อท่านทั้งสองเดินทางข้ามภูเขาไปแต่ละลูกละลูกนั้นเป็นภูเขาที่สูงชันน่ากลัวทั้งสิ้นขณะ พอถึงเมืองห่างเขตพม่าพวกชาวบ้านเป็นไทยใหญ่เป็นส่วนมาก เขาเขียนก็เอาเงินวางไว้ให้ติดการลักการขโมยไม่มีผู้คนมีรูปร่างหน้าตาสะอาดไว้เสร็จคนซื้อไม่เห็น ทั้งทั้งเพราะต้องการปฏิบัติมากกว่าจึงไม่พยายามที่จะสอนใครๆเพราะต้องการปฏิบัติมากเสือช้างงูจงอางหมีกระทิง ท่านอาจารย์ไม่พบบ้างหรือข้าพเจ้าถามท่านตอบว่าไม่ต้องพูดถึงหรอกตลอดระยะทางก็มีแต่เฉพาะพวกมันทั้งนั้นก็ การเดินทางของเราทั้งหยุดหยุดทําไมนั่งสมาธิถ้าไม่พบบ้าน เทวดาก็คือคนใจบุญเห็นมีแต่ต้นไม้จะเท 3 วันเพราะไม่มีบ้านคนดื่มเฉพาะ ข้าพเจ้าสักถามเราก็ถามชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆไปถูกผิดบ้านตามเรื่องส่วนการประจนภัยกับพวกสัตว์ป่าน่ะหรือก็ไม่เห็น พวกพรานทั้งหลายซึ่งเป็นนักล่าสัตว์ เป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญในทางใจขึ้นอีกมากท่าน 8 เดือนแต่ก็ยังไม่ได้ผลเป อาจารย์ที่ประเทศพม่านี้เก่งในทางสอนและปฏิบัติกรรมฐานมากท่านรู้ มิใช่ถามเพื่อจะแก้ตัวเองเมื่อไม่มีความรู้ที่จะถามการมันก็จนใจภูมิเหมือนกับคนทั้ง ดังนั้นเราทั้งสองจึงตัดสินใจกลับปีนี้กลับโดยการเดินไม่ทันซะแล้ว นั่นเป็นการเดินทางประจลัยและหยุดจำพรรษาพักผ่อนแต่ท่านมั่นบอกว่าพอแล้วผมจะกลับเข้า ตอนนั้นพอและรู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านเล่าว่าคนเยอรมัน 2 คนอ้าวก็ฝรั่งชาติ เราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเขา ตอนพบถ้ําผาบิ้งหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็มุ่งใหญ่มีภูเขาๆท่านไม่ค่อยจะชอบไม่ๆ มีพอขึ้นลงได้สบายเขาไม่ค่อยสูงนักพอขึ้นลงได้สบายจึง และกําลังพัฒนาให้ก็รู้สึกว่าที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติ เพราะท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้ หวังซื้อให้ดังแล้วก็มีคนไปหามากนั่นว่าพวกเธออย่าทําอย่างนั้นอย่าไปอยู่ถ้ําอยู่เขาให้ ท่านเพียงต้องการวิเวกนักบวชที่อยู่ถ้ำอยู่เขาเพียงต้องการวิเวกนั้นผิดวิสัยอย่าแล้วก็อย่าว่าแต่ใครเลยแม้แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าก็เคยถูกท่านดุ มันบ่ๆจึงจะถูกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมากับ ต้องการจะไม่ให้ใครเข้ามาหาของขลังเพราะเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่พระทุโดงท่านพระอาจารย์มั่น ด้วยๆนานาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นหาเป็นฉะนั้นไม่ท่านนามูลเวลาเย็นท่านกําลังเดินจงกรมอยู่มีคุณโยมนุ่มชุวานนท์คหบดี เดินเวลานั้นไป 3-4 คนเวลานั้นท่านยังต้องซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เห็นมาด้วยตาของตัวเองนี่แหละจึง อันเป็นยอดปรารถนาคุณโยมที่อ้างถึงนี้เป็นโยม ณที่ถ้ำผาบิ้งความสงบก็ถึงที่สุดแล้วท่านบอกเข้าป่าก็ถึงที่สุดแล้ว เขาถ้ำที่ไหนที่ใดก็ถึงที่สุด ตอนสุบินนิมิตเกิดขึ้นเหมือนกับ เห็นถ้าจะต้องล้มเลิกการปฏิบัติเสียๆท่านยังพูดกับข้าพเจ้าเสมอๆขณะ มันสาหัสกว่าแสนสาหัสมันสากันก็แสนจะสาที่ทําเราต่อสู้ไม่เคยก็ไม่ถอยให้แก่มันแม้แต่ก้าวเดียวก็เป็นเหมือนธรรมบันดาลคือค่ําคืนวันหนึ่งขณะที่เราแต่การหลับของเราในขณะนั้นก็เหมือนจะตื่น เพราะต้องเราฝันไปว่าเราเดินออกจากบ้านไปให้แล้วก็เข้าสู่ป่าที่รกชัดสติไว้เสมอๆ ท่านก็ขึ้นไปบนขอนไม้ชาติที่ลมนั้นปรากฏ ขณะนั้นปรากฏว่ามีม้าสี แต่ท่านไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกๆที่ได้สุบินนิมิตนี้เกิด แต่ยังไม่ถูกทางจริงยังไม่ถูกทางจริงจึงต้องลำบากนั้นแสดงว่าเราอาจจะเป็นชาติสุด การไปครบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูตู้นั้นคือเราไม่นี่เป็นเพียงพบตู้ก็ถึง ท่านเล่าว่าจากนั้นท่านได้พยายามอยู่อย่างเดียวคือไม่จิตได้พลังเกิดความสงบและความแกร่งขึ้นในจิตนั้นแล้วท่านก็ไม่เดินนั่ง นอนให้จิตนี้จดจ่ออยู่ที่กายตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพิจารณาให้เกิดความเบื่อ ซึ่งก็ไม่เหมือนเมื่อคราวทําจิตให้สงบไม่เกิดปัญญาเลยมี มันเกิดอุคคหานิมิตติด อันหน้าเข้าหาท่านขณะนั้นสุนัขตัวหนึ่งเข้ามากัดซากๆออกไป หรือกำหนดให้ย่อยยับดับสูญไม่มีอะไรเหลือ โดยกําหนดเอาเฉพาะดวงแก้วนั้นเป็นอารมณ์วาระต่อไป จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 เป็นบันไดแก้วแล้วหยุดอยู่บนชั้นนั้นแต่ ตกกับแผงแก้วนั้นมีประตูเข้าออกได้จึงคิดอยากจะเข้าอยู่ข้างในนั้น ประทุนเกวียนแต่เราไม่ค่อยจะเอาใจใส่เท่าไหร่นักซึ่งสูงชันมากคิด ในคืนต่อไปก็ได้เข้าจิตสมาธิดําเนินไปตามทางเดิมทุกประการ ข้างในสำเพลมีโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ตัวหนึ่ง เวลาฉันเสร็จแล้วมองไปข้างหน้าเห็นฝั่งนู้นไกลลิบจะ ข้ามไปได้เมื่อประตูและหอลบนึกอยากไปบริบูรณ์ด้านหน้า ก็ได้เข้าสมาธิจิตไปตามทางเดิมนั้นอีกในคืนวันนั้นเมื่อไปถึงระหว่างตอนที่จะข้ามสะพาน แล้วครั้นไปถึงประตูแล้วเดินต่อไปครั้นไปถึงประตูแล้วมอง มีประทีปโคมไฟติดไว้ตามเพดานสว่างสวยข้างหลังถนนเห็น จึงได้ขึ้นไปนั่งบนธรรมมาศนั้นข้างบนธรรมมาศนี้มีบาดอยู่ใบหนึ่งเมื่อเปิดดู แม้เสียงก็ไม่ได้ยินทุกขเวทนาก็ไม่ 3 เดือนและทุกครั้งที่เข้าจิตไป ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นระวังอย่าได้ไปหลงในนิมิตๆผู้ปฏิบัติทางจิต เพราะเป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่วิปัสสนาปกิเลสก็คือความเป็นเช่น เมื่อคิดค้นดูเหตุการณ์ด้วยตนเอง กำหนดเฉพาะกายคตาจิตได้เข้าถึงฐานปรากฏว่าได้เลิกหนังของตนออกหมดแล้วแว่ภายใน จึงนี่แหละจึงจัดว่ารวมถูกอุทานว่านี่แหละจึงจัดว่ารวม จึงพูดเห็นจริงอยู่ที่กายกับจิตเท่านั้นความต่อไปอีกว่าเราจะ ธุดงค์ประจลภัยรูปเดียวถึงถ้ำไผ่ขวางพุทธศักราช การเพราะยังเกี่ยวข้องกังวลบางสิ่งบางประการความเพียรของเราก็จะ ต่อการประกอบความเพียงการประกอบความเพียรท่านเห็นพระสุทดงไปที่พระ ท่านเดินทุรดงออกจากจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนั้นด้วยการเดินเท้าเปล่า ซึ่งในสมัยนั้นเช่นเสือช้างที่ท่านเล่าว่าพร้อมทั้งงูเห่าและ เพราะจะพยายามทรมานตัวเองเมื่อท่านได้มุ่ง พยายามทัดทานท่านว่าอย่าเข้าไปเลยหลวงพ่อเพราะพระที่เออโยมขอให้อาตมาเป็นเดินทุรดง เข้าไปยังถ้ำภูเขาลูกนั้นต่อไปซึ่งเป็นที่พระทุรงได้มรณภาพไปถึง ก็วางบริขารไว้แห่งหนึ่งตรงปากถ้ำจัดการ ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็งก็อาจจะซึ่ง นับว่าเป็นนิมิตอันดีเป็นอย่างมากในค่ําคืนวันนั้นรุ่งขึ้น เมื่อสังเกตดูอุจจระก็พบว่าทุกอย่างไม่ย่อยเลย เขาจะต้องทํากันให้ถึงที่สุดแล้วท่านก็เหลือบไปเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนฝา ตอนนิมิตเห็นถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ลูกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดเกิดเป็นสุนัขในค่ําวันนั้นท่านตั้ง ก็เกิดการสว่างสวยดุจกลางวันซึ่ง การพิจารณาถึงกายคตตาตลอดถึงธรรมะต่างๆท่านได้ตัดความสงสัยทุกอย่างโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติจิตในขณะที่การพิจารณาธรรมทั้งหลายกําลังได้ผลนั่นเองนิมิตอย่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านคือ เพราะขณะจิตขั้นนี้จะไม่มีนิมิตเข้ามาเจือปนได้ ท่านใคร่ครวญต่อไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นคือเหตุอันใดจึงต้องเป็นสุนัขอยู่อย่างนั้นได้ความว่าคือความดีในอัตภาพของตนสุนัขก็ดีอยู่ภพของมันจึงต้องอยู่ในภพของมันตลอดไปขณะท่านทราบว่าตนต้องเกิดเป็นสุนัข ก็ยังคงเถิดจ้าอยู่ตลอดระยะเวลานั้นท่านจึง ความจริงที่ยังไม่ทราบมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่ท่านนั่นก็คือการปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณท่านจึงหวน อันเป็นเหตุให้เกิดเป็นสุนัขนับพบมาระลึกได้ว่าปฐมเทศนาเป็นบทบาทสําคัญซึ่ง ทรงแสดงถึงอริยสัจ 4 ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธ เนบโตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ใครเล่าเกิดแก่เจ็บความตายเป็นทุกข์ใครเล่า ก็เท่ากับรู้แจ้งเห็นจริงในว่ารูปัง นิจจังวาอนิจจังวาติภิกษุทั้งหลายท่านจะสําคัญความ 3 ว่าตัสสมาสิหภิกขเวรูปังอดีตังวาอนาคตังวาปัจจุบันังวาเพราะอนาคตหรือรูปปัจจุบัน สรรพังรูปังรูปทั้งปวงเนตังมัมมะเนโซหัมมัสสมินเมโซอัตตาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายถัตถะพังจงพิจารณาข้อความนี้ว่า การพิจารณาตัวทุกข์นี้ก็คือรูปกายนี้เองพระเบนจวัคคีย์แม้จะ ที่ทรงนั่งสมาธิในวันวิสาขะเพ็ญเดือนทุกข์มีทั้งเกิดแก่ นับภพนับชาติไม่ท้วนตายนี่คือ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้คำนึงว่าการพิจารณาทุกข์พระ การคือการอย่างรู้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงนี้เรียกว่าญาณคือหรือ การเป็นขึ้นจากเช่นผลไม้มันต้องพอควรแก่ความ ต้องอาศัยการพิจารณาเช่นกำลังของการพิจารณาขณะนี้มันอาจจะอยู่ได้ชั่วขณะหรือเวลาสุดแล้วแต่กำลัง เป็นเหตุให้เกิดยานนี้เหตุให้เกิดญาณ 12 การผจญภัยอันตราย สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเวลา 23:00 น. ก็ได้เกิดขึ้นแล้วคือมีอาการสั่นสะเทือนขึ้นทั้งอากาศ เป็นเหมือนกับมืดลมมืดฝนเป็นลักษณะที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งเกือบจะทํา นานเท่าใดไม่อาจทราบได้ท่านได้กําหนดสติ ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าความหวั่นไหวแห่งสติไหนขณะนั้นไม่มีเลยยังคงรักษาระดับการพิจารณาอันเป็นอนุโลมิกญาณได้อย่างปกติเหตุการณ์หาได้หยุด ตการณ์เฉ่นนั้นเกิดเป็นเวลานานพรันอาการประหลาดก็เกิดขึ้นมาอีกถมีอาการร่างกายใหญ่โตขึ้นสูงเท่ากับต้นไม้า้ใหญ่มือถือตะบองเหล็กซึ่งมีรัศมีดังเปลวไฟเดินย่างสามขุมตรงรี่คมหาท่านอย่างผู้ทรงไว้ซึ่งอํานาจพร้อมกับตวาดว่าจงลุกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ว่าแล้วก็เงื้อตะบองขึ้นสู่แขนขณะนั้น กำหนดสติอันทรงพลังของท่านและท่านก็ หลังจากท่านพระอาจารย์มั่นถูกยักษ์ตนนั้นมันตะคอก ปรากฏขณะที่มีอาการเช่นนั้นตัวของจิตยังแนวแน่ลอยขึ้นเหนือแผ่นดินอีก ชีวิตมิได้เป็นสิ่งมีค่าเท่ากับการพิจารณาจุดสุดยอดแห่งอนุโลมิกายาน ซึ่งต้นตะเคียนนั้นใหญ่ขนาด 10 คนอุ้มใหญ่ 2 ข้างฉุดต้นตะเคียนเหมือนกับยกหม้อน้ําปรากฏ ยกขึ้นสูงเหนือภูเขาลูกนั้นฟาดลงมายะร่างของท่านดังสะท้านหวั่นไหวปรากฏว่าร่างกายสุดแบนละเอียดติดอยู่กับก้อน แต่ว่าท่านได้คำนึงถึงมหาสติอันเป็นเครื่องบังคับกำกับการพิจารณาในจุดสุดยอดแห่งธรรมะอันละเอียด ซึ่งเป็นมนทินของใจนั่นคือการพะว้าพะวัง อันเป็นเหตุให้ต้องประสบสิ่งราบลงหมดคือสว่างราบเปลี่ยน ลงมากราบไหว้ขอขมาลาโทษท่านแล้วมันก็หายไป 3, 3 ในอริยมรรคคือสัจจญาณกิจจญาณ ซึ่งมิใช่ว่าจะถือเป็นชั้นนั้นชั้นนี้เพราะถือว่าได้สําเร็จการ มีอาหารรับประทานเข้าไปก็แล้วกันญาณก็เช่นเดียวกันบำเพ็ญให้ถูกต้องโดย ความเบื่อหน่ายเป็นญาณเพราะมันจะเกิดขึ้นเองจะ เหมือนกับคนอิ่มอาหารกับคนอิ่มอาหารละไปแล้วซึ่งความหิวโดยอัตโนมัติเป็นกัตตญาณท่านได้คํานึงถึงสมุทัยว่าอันกามตัณหา เพราะกิเลสเกิดขึ้นตอนเจริญปัญญาญาณนี้สําคัญนักจะเกิดการถือ ยังตั้งตัวเป็นนักพยากรณ์ซะอีกว่าคนนั้นได้ชั้นนั้นคนนี้แต่ชั้นนั้นบางครั้งเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาในจิตว่าละกิเลสได้หมดแล้วมีธรรม ต้องนึกว่าสําเร็จบรรลุและถือตนหนัก ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้คำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อความรอบคอบของจิตที่กำลังดำเนินไปอย่างได้ผลว่าเมื่อเช่น เห็นว่าธาตุเป็นขันธ์เกิดขึ้นจากตาในด้านการพิจารณาแต่ยังเช่นพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเองเนื่องจากการบําเพ็ญวิปัสสนาให้ ในเมื่อไม่ใช้ปัญญา 13 ตอนทวนกระแสจิตพบผู้รู้ผู้เห็น นับมาแต่การพิจารณาดูตัวทุกข์คือขันธ์ทั้ง 5 นั่นแล้วและพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาคือให้ ท่านก็ทวนกระแสจิตกลับมาหาถีติภูตังคือที่ตั้งของจิตที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นต้นเหตุการ อันตัวผู้รู้ผู้เห็นอยู่ที่ไหน เป็นผู้หายความสงสัยโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงว่าอาจารย์โน้น เย็นราวประดุจหน้าๆท่านได้ย้ำให้ข้าพเจ้าฟังแต่การเรียบเจ็บตายและแต่การปรากฏขึ้นในจิตนั้นเป็นเช่นนั้นเที่ยงเป็นเช่นนั้น พระท่านพูดกับข้าพเจ้าต่อไปว่านี้เป็น 4 5 พละ 7 เป็นที่รวม ในเมื่อการรวมกำลังนี้สมบูรณ์เต็ม 7 ประการครั้นเมื่อเป็นดังนี้บริบูรณ์แล้วคําว่า จนข้าพเจ้าไม่อาจจะนำมาพูดให้หมดไปทุกคำได้ ในวันนั้นเดินจงกลมในเวลาก่อนแจ้งรู้สึกตัวเบาไปหมดพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นเดิน อันชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่า 3 วันเนื่องจากพระทุรดงมาตายที่นี่หลายๆซึ่งชาวบ้านต่าง แต่ก่อนๆพระจตุดงที่มาที่นั่นบางองค์ก็ 3 เดือน 6 เดือนจึงจะตายแต่ท่านพระอาจารย์มั่นองค์ใหม่ ท่านจะค้นให้ทั่วก็กลัวจะเป็นการรบกวน กำลังออกมาบิณฑบาตโดยปกติแล้วทุกคน 3 วันที่แล้วมาทําไมจึงไม่มา หลังจากท่านวินธบาทกลับไปที่ทำแล้วっていうแก็ปกติดี plus the Lord stripoquine is free ตั้งทั้งก็ปกติดี ปกติดีLonal workout ร่างกายของสมบุติในตอนนี้ท่านได้พักผ่อนวัมเพรณความเพียนตามปกติ องค์ที่ 1 องได้มาอยู่ 2 เดือน 29 วันก็มรณภาพ 7 เวลาไปบิณฑบาต 2 อยู่ 3 เดือน 10 วันก็ 2 นี้ ตัดตัดต้นไม้ในป่าด้วยตนเองแล้วนํามาทําร้านเพื่อเป็นที่สําหรับนั่งและนอนนอกถ้ําเพราะว่าจะนั่งนอนกับหินและดินก็ชุ่มชื้นนี่ก็เป็นอาบัติปาจิตตีย์ 4 22 วันก็มรณภาพองค์ที่ 3 นี้ได้ ก็ขุดเอามันมาไว้และต้มฉัน องค์นี้ได้ทําผิดวินัยที่เก็บอาหารบิณฑบาตมาผลไม้ๆในป่าวินัยข้อที่อง 8 ของโภชนวรรคปาจิตติและข้อที่ 1 ของภูตะขามวรรคปาจิตติองค์ 6 เดือน 18 วันก็มรณภาพองค์นี้ได้ไปเก็บเพราะใน มีผลไม้ป่าต่างๆเป็นต้นว่าไม้เชิงไม้พ่องขนนมบัว 10 ของภูชนวรรคพำ์ที่ 6 อยู่ได้ 7 เดือนกับ 12 วันแล้วก็ขอให้โยมพาไปส่งที่วัดเดิมของท่านที่ขอนแก่นเมื่อกลับไปอยู่วัดเดิมได้ ท่านก็มรณภาพองค์นี้ก็เก็บอาหารต่างๆ จึงจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายได้ในวันหนึ่งท่านได้นั่งสมาธิปลอดโปร่งมากแต่ว่าการที่ท่านได้ จึงจะเป็นผลท่านก็กําหนดพิจารณาดูในขณะนั้นว่าการแนะนําในขั้น ก็ควรจะต้องพิจารณาจิตใจของผู้นั้นว่าและบุพเพนิพพานตกาลก่อนซึ่งจะเป็นเหตุ ในกรรมฐานได้แล้วเราจะยังไม่สอนใคร เพราะ 14 ตอนพระอาจารย์มั่นฟังสัตว์ป่าคุย หรือกรีดๆแกรกๆแต่ว่ามันก็ใช้ภาษาของมัน บางครั้งไปหากินครั้งไปหากินลักขโมยของมนุษย์ตามไร่ตามสวนนั้นหาใช่ว่าพวกมันจะ แต่ว่าพวกมันเห็นว่าเป็นตัวอะไรแปลกน่าๆขึ้นมากและในบริเวณ ตามก็สนทนากันทุกวันบ้างก็ทะเลาะกันบางทีก็สับประยอกหยอกกันตามภาษาของมัน บางทีเค้าชอบพอกันระหว่างตัวเมียแต่ที่ดีที่สุดนั้นคือเค้าจะมีการยําเกร็งหัวหน้ากันมากเชื่อกัน พากันมานั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกับจะกินเราเรือนคอยดู ถึงต้องได้ตายกันไปจนหมดเราเข้าใจว่าฤาษีองค์นี้คง แต่มันก็มีความหมายเป็นอย่างยิ่งก็ภาษาจีนความถ้าเราไม่เข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอย่างยิ่งและเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันแต่เราฟัง ที่ได้รับในธรรมสริกาได้รับในธรรมสาริกาจังหวัดนครนายกของท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นที่พอใจของท่านที่ได้เข้าถึงธรรมะอันละเอียดทั้งฌานทั้งญาณทําท่านแน่ และได้ไปพักอยู่ที่ถ้ําสิงโต 2446 ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักท่าน ขวนระลึกถึงความเป็นจริงต่างๆที่ท่านได้ปรากฏแล้วให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นท่านได้ ได้แก่การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความถูกต้อง พระพุทธองค์มีผู้คอยยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติอุปถัมภ์แก่เจ็บตายและ ใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและ หรือการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพวกเราได้พากันถือ แล้วก็มีเบื้องหลังที่ไม่มีการเสียสละหรือ ทำเป็นว่าเรานี้อยู่ป่าอยู่ 5 ตอนพิจารณายึดถือเนติแบบฉบับ ตามทำนองครองธรรมที่แท้จริงและจะได้แนะนําให้คนอื่นทํา จะทรงรับข้าวมธุปายาจจัตตปุสสะและภลิกาก็ทรงหาบาทเพื่อรับและพระองค์ก็ทรงทําพุทธกิจ พระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่วิโลกานังในเวลาใกล้รุ่งพระ พระองค์ทรงใกล้ครวนแล้วทรงทราบว่าผู้ใดสมควร นับแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วประโยชน์ให้ แต่พระองค์ก็ทรงกระทําอย่าง ไม่ถือเอาพระพุทธองค์เช่นไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีการ หาอุบายวิธีโกรธหลงแม้แต่การเที่ยวไปบินทบานก็หาว่าเสีย และพระอาจารย์มั่นพยายามใคร่ครวญเช่นภายนอก ถ้าผิดพระวินัยแม้แต่อาบัตินิดเดียวก็จะๆจับเช่น ฉันหุ่นเดียวการฉันให้บาดการบินทบาดเป็นต้นอันเป็นการนำไปสู่การ จากวัดหลายประการเช่นอุปชายวัตรอาจริยวัตรอาคันตุเกวตวัตรเวจจกุตตวัตรเสนาสนวัตรภัตตาวัตรและเสกิยวัตรเหล่านี้ย่อมต้องเป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติจิตทั้งนั้น บุคคลผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์นี้ถ้า เพราะเหตุแห่งแบบอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญ ผู้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าพุทธบริษัทนั้นควรจะได้รู้ข้อเท็จจริงใน โยจะพุทธังจธัมมังจสังฆังจสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกัมังอริยัญจัจฉังที่กัง เอตังสรณะมาคัมมะสัพพทุกขาป่าอารามและต้นไม้หรือ ย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งป่วงไปได้ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ส่วนผู้ใดมาถึง 4 ด้วยปัญญาอันชอบก้าวด้วยมรรค 8 นี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษม ไม่ให้ถือเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระ ในพระพุทธศาสนาแม้ในการบำเพ็ญจิตในเบื้องต้น เช่นพาเขาตั้งศาลพระภูมิหาวันตั้งศาลพระภูมินี้เป็นการแสดงถึงความไม่แน่ใจของท่านต่อองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตำหนิแล้วนำเอามาใช้ทั้งๆที่ เพราะจะเป็นเบื้องต้นของการดําเนินไปซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ จึงถือว่าเป็นรากฐานที่มีคือพระโสดาบันท่านเป็นผู้ 3 ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาทความเห็นถือว่า ความลุ่มคมในศิลปพจน์คืองมงายในสิ่งที่ไม่ผีพระภูมิเป็นต้นนี่ แม้ว่าเราจะยังไม่เป็นพระอริยะโสดาก็ตามแต่เราก็อุบาสิกาพระภิกษุสามเณรแต่พากันหลงเชื่อ ดูไม่เป็นการสมควรเลยท่านพระถ้าไม่เข้าใจถึง ที่จะปรารถนาพระนิพพานแม้การบำเพ็ญการกุศลต่างๆก็กล่าวกันว่านิพพานปัจจะโยโหตุขอจงให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเถิดแม้ เป็นยอดปรารถนาของบรรดาพุทธศาสนิกชนแต่ว่าเบื้องต้น คือเป็นการปูพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อการ 3 ประการ 1, 1. ให้ถือเราเป็นมูลเหตุ 2 ให้ถือเราเป็นเนติแบบฉบับ 3 ให้ถือเราเป็นที่พึ่งอาศัย ตอนนั่งสมาธิส่งกระแสจิตไปดูเจ้า <database. S 1> ได้ระลึกไปถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์สิริจันทโธกรุงเทพมหานครว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ที่วัด กําลังพิจารณาถึงปจจิจสมุปบาทว่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังคาญสังคาญเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัษะผัษะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทาน เป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติให้เกิดมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสะอุปายาสะและการพัดพรากจาก และเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะตายอยู่ตราบนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านได้ครุ่นถึงว่าพระ คับแค้นแน่งใจเพราะความพลัดพรากจากของชอบใจพลาดหวังท่านได้พิจารณา ซึ่งมันเป็นผลมาจากอะไรมันเป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากอุปทานคือความเข้าไปยึด แล้วถ้าได้ฝึกจิตเป็นธรรมดาเช่นมนุษย์สัตว์เปรตนรกเป็นต้นสุดแล้วแต่จิต คือความถเยอถยานอันความถเยอถยานนี้คือกามตัณหาความถเยอถยานในกามคุณคือกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นความถเยอถยานในภวะ คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากมีความทุกข์ความอดอยาก ได้ยศเสื่อมก็ต้องการแต่ความสุขเป็นต้นขณะที่เสวยทุกข์นี้เนื่องมาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรถกลิ่นรสเช่นมีตาไปเห็นรูป ก็เกิดความสุขทุกข์หูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกาย มาท่านเกิดความสงสัยว่าถึงรูปนามนี้แล้วท่านเกิดความสงสัยว่าถอย ก็ได้มาเที่ยวที่เขาพระงามจังหวัดลพบุรีเพราะโดยปกติแล้วท่านจะๆซึ่งท่านชอบสถานที่ 12 วากว่าๆและวัน เมื่อได้และได้สนทนาปราศัยตามปกติว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีมาท่านก็ไปนมัสการและเมเม 10 ค่ําที่แล้วคือเดือน 8 นั้นท่านเจ้าคุณ 23:00 น. น วนกลับไปกลับมาแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาตอนหนึ่งใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณอุบาลีเมื่อได้ฟัง อธิบายให้ผมฟังบ้างได้ไหมท่านพระอาจารย์มั่นจึงตอบว่าได้แล้วท่าน ที่ต่อจากอวิชชานั้นเรียกว่าสังขารกรรมวิญญาณกรรมแตกต่างกับสังขารวิญญาณของนามรูปสังขารวิญญาณของ อยู่ภายใต้อำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นหาง ทั้ง 2 นั้นเมื่อเห็นดีไปอย่างไรจิตก็จะไปมาจากจิตนักที่นี้ และเป็นวิปัสสนาอันแก่กล้าแล้วนั้นทีเดียวที่กระผมได้อธิบายมานี้เป็นศักแต่แนวทางเท่านั้นตามความเป็นอ้อเราเข้าใจ และผมพยายามพิจารณาเรื่องนี้มานานข้อสงสัยให้ผมได้ 17 ตอนมาจํา เธอทั้งหลายจะได้ความรู้จากธรรมะปฏิบัติ ท่านก็ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าคุณอุบาลีให้จํา ถ้าจะควรอบาลีก็จะให้เข้าไป จุดนี้ครั้งแรกให้ตั้งอยู่ที่กระหม่อมเมื่อดีแล้วก็ลดลงมาที่ 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 และทวนกลับ 190, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 4, 3, 2, 1 ทวนไปทวนมาไปทวนมาท่านได้สังเกตดูบางคนได้รับความเย็นใจมากพอหรือ หรือตำหนิอะไรในที่นั้นแม้เขาจะทำอยู่เช่นนั้นก็ไม่เห็นบาปกรรมอะไร เพราะขณะที่เดินไปท่านภาวนาไปด้วยวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังเดินไป ขณะที่กําลังเดินไปอยู่นั้นมากทั้งเดินไปทั้งๆขณะนั้นได้มองเห็นผู้ นาเข้ามันไม่ใช่อ้วนเสียแล้วนั่นคือทั้งตัวกําลังผ่องเน่าๆในที่สุดเลือดเนื้อ เหลือแต่โครงกระดูกติดต่อกันไว้เท่านั้นแล้วก็ได้เห็นโครงกระดูกนั้นเดินไปได้จะปรากฏเป็นชายหรือหญิงก็หาไม่จึงได้เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะ จึงได้นึกถึงประวัติของพระเถระองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลในเมื่อท่านกําหนดเอากายคตาสติเป็น พระเถระเมื่อมองไปเห็นฟันของหญิงคน ได้เห็นแต่ร่างกระดูกคลางหนึ่งเดินผ่านไปแต่ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือ ตามข้างทางจากวัดบรมนิวัฒน์ ตอนกลับไป 2458 ใน 2458 หลังจาก ท่านก็พิจารณาภายในพรรษานั้นว่าเราควรจะได้แนะนําสั่งปีควรจะได้แนะ กลับไป 2458 นั้นท่าน 25 พรรษาขณะที่ใครหนอจะเป็นผู้ควรแก่การสั่งสอนจำเป็นครูสอนนักเรียนอยู่เหมือนกับครูอื่นๆ เป็นครูที่สอนวิชาสามัญแก่นักเรียนเป็นเวลาหลาย เมื่อเข้าไปเห็นท่านพระอาจารย์มั่นกําลังเดินจงกรมอยู่ท่านก็รออยู่ และต้องการชักชวนให้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ถึงกับตกตะลึงเพราะท่านได้ทราบจิตใจของท่านพระอาจารย์สิงห์มาก่อนเนื่องจากท่านพระอาจารย์ กล่าวจบท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้อธิบายให้ฟังว่าการบวชเป็น เมื่ออธิบายไปพอสมควรท่านก็แนะนําวิธีนั่งสมาธิ พิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ได้ลาในสมัยนั้นเรียนรวม 18 ปี เป็นการบังคับให้เรียนจบ ป.4 ขณะที่ท่านกําลัง 38 คนได้มองเห็น แล้วเกิดความเบื่อหน่ายต่อสังขารเป็นอย่างๆแต่ท่านกลับเห็นทั้งหลับตา ตาของท่านจึงค่อยปรากฏเห็นร่างของเด็กนักเรียน เมื่อท่านก็จัดตรดศิษย์ของท่านจนกระทั่งได้เห็นอัธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 9 ตอนเล่าความจริงแห่งการ ท่านใครจะให้พระอาจารย์ของท่านได้ถวายเมื่อท่านพระครูให้โอกาสท่านเล่าถวาย การปฏิบัติธรรมนี้เป็นทางที่จะพาให้พ้นทุกข์คือมรรค 8 มรรค 8 ข้อต้นนั้นได้ 4 อริยสัจ 4 คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธ 8 ฉะนั้น 8 อย่างทุกข์คืออะไรแก่เจ็บตายใครคือผู้เกิดผู้ตายร่างเราฉะนั้นร่างเรานี้จึงเป็นตัวทุกข์เพราะจิตเข้า ก็จะเป็นเฉพาะฌานก็จะเป็นมิจฉา คือร่างกายนี้ให้ชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานความเบื่อ คราวนี้รู้วิธีการที่จะทําอะไรกับ และเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายและสามารถทวนกระแสจิตเห็นตัวผู้รู้ผู้เห็น ก็จะพึงรู้เองเมื่อท่านพระครูได้ให้ท่านพระอาจารย์มั่นได้รู้เห็นเป็นพยานในการเห็นธรรมใน แม้เราจะเป็นพระผู้เฒ่าเป็นถึงอาจารย์ถ้าจะพึงมัวถือแต่มานะทิฏฐิ ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมโดยทั่วไปสุดแล้วแต่ว่าผู้ใดจะมี มาเป็นเครื่องกีดขวางการที่จะศึกษาหาธรรมะอันยิ่งให้ตนนี่เป็นทางเสื่อมเสีย แกความสงสัยได้ ตอนเทศโปรดโยมมารดาตอนเทศโปรดโยมมารดา ท่านจึงเดินทางไปพบกับโยมที่บ้านตำบลบ้านบงอำเภอ โดยขอร้องให้โยมพยายามปฏิบัติจิตอันเป็นทางแห่งความพ้น ลาลูกมารดาของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งยังกระหายต่อการปฏิบัติบวชเป็นชีก่อนเข้าบรรษานี้ อยู่ปฏิบัติณถ้ำนี้โดยจองเอาที่เงื้อมแห่งหนึ่งเป็น รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวตลอดชีวิต ท่านได้ให้คําแนะนําวิธีสุดท้ายคือการบําเพ็ญวิปัสสนาญาณ อันเกิดจากกระแสธรรมอันยิ่งโยมมนดาของท่านเป็นที่พอแก่ความต้องการโดยการเจริญให้มากกระทําให้มากมีความรู้ความสามารถทวนกระแสจิตเข้าถึงซึ่ง ตัดความสงสัยแล้วสิ้นเชิงและได้ออกอุทานต่อหน้าพระอาจารย์มั่นว่าเราหายสงสัยแล้วเราจะไม่มาเกิดอีก จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นฉันเทพทยากรมารดาของท่านกับพระบางรูปว่ามารดาของ เป็นวิรัตตลอดชีวิตของเราเมื่อถึงการๆในตอน ส่วนท่านพระอาจารย์สิงขัณฑยาขโมซึ่งได้พำนักอยู่นารามในเมืองอุบลราชธานีได้ออกจาก และได้เกิดความเลื่อมใสในอุบายทางด้านการปฏิบัติพอสมควรท่านพระอาจารย์สิงห์ได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่ในการ เมื่อท่าน 5 ปีและสอบได้ปรียน 5 ประยุกต์แล้วก็ได้ออกไปปฏิบัติ นับเป็นสุภนิมิตที่ดียิ่งอย่างหนึ่งเมื่อท่าน 30 ปีพรรษา 8 ในกราวเดียวกันกับ 3 องค์เท่านั้นคือ พระอาจารย์เทศเทศรังสี 3 จังหวัดอุบลราชธานี The the 21 ตอนประจําพรรษากับพระ 2459 เมื่อออกพรรษาที่ เพื่อไปติดตามพระอาจารย์เสากันตสีลเถระซึ่งขณะนั้นท่านจําพรรษาอยู่ที่ถ้ําภูผากุฎเมื่อทราบแน่แล้วๆเช่น ต้นตะเคียนต้นประดูยางต้นประดู่ต้นตะแบกและสารพัดไม้นั้นจริงๆขณะที่เดิน 5 วันหรือ 7 วัน ยังไม่ถึงถ้ำภูผากูดนั้นท่านได้คิดถึง ท่านพระอาจารย์ของท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกโพธิ์ถ้าหากว่าท่านยัง เราได้พบท่านอาจารย์ของเราเราก็จะไปจน โดยรอบบริเวณภูเขาอันเป็นถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นภูมิประเทศที่เป็นป่าไม้เต็งไม้รังไม้แดงไม้มะค่าแต่ไม่เป็น ถ้าเป็นดงดิบมองไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วจะอยู่กันนานไม่ได้ เราได้เดินมองพิเคราะห์ดูแล้วเป็นที่เหมาะสมจริงๆเช่นผักหนาม ในคราวนั้นท่านพระอาจารย์สิงขัณฑยะขโม้ทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นทุดงไปท่านก็ทุดงตามไปติดๆกับ แต่ประการ 12 ตอนพระอาจารย์มั่นถวายความ อันจากกันไปนานอยู่แล้วท่านพระ ท่านพระอาจารย์มั่นได้พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ได้พิจารณา ความตายตายแต่ว่าบางคราวมันก็ไม่แจ่มแจ้งท่านพระอาจารย์ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมาธิท่านพระอาจารย์มั่นจึงกล่าวว่ากระผมคิดว่าคงมี จึงได้ตอบทันทีว่าท่านพระอาจารย์ห่วงเรื่องการ ขอให้ท่านพระอาจารย์อย่าเป็น ซึ่งท่านไม่เคยปริปากบอกใครเลยฉะนั้นจึงทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์มั่นนี้ต้องมีความดีความจริง คือการพิจารณากายจนชัดแจ้งประจักษ์เกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายขึ้นและท่านก็เริ่มดำเนิน เมื่อเป็นฉะนั้นก็ควรจะเจริญให้มากจนกว่าจะพอแก่ เป็นจริงเช่นนั้นแล้ว 26 พรรษาท่านได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์เสาเหมือนกับตักน้ําถวายสงฆ์ถูหลังทุกประการซึ่ง ก็ปฏิบัติได้โดย 12.1 ตอนพระอาจารย์มั่นให้สิทธิที่ข้าพเจ้าจะพึงระวังสติเหมือนคราวนี้เพราะถ้าเราๆและ ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วน่าแปลกใจตัวเอง จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นหนักหนาเพราะเหตุใดข้าพเจ้า ขืนจะต้องเลิกเขียนหนังสือธรรมะเอาเสียเลยหรือจะต้องทําให้ข้าพเจ้าข้อง ทำไมจึงเดินแรงนักเมื่อคืนนี้เวลาที่ใครๆ ในตอนที่ใช้ปลายเท้าลงก่อนสุดจึงเบาจนท่านไม่ต้องบนอีกต่อไปเรื่องของการรักษาความสงบแก้เอาแม้แต่ตัวของท่านเองตอนที่ใช้ปลาย ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกมีเสียงกุกกุกกักๆอะไรเลยทั้งๆที่ท่านก็ต้องถอดกลอนออกข้างประมาณ 23:00 น. เห็นจะได้ แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกๆการพิจารณาก็โปรดปรงดีไปเลยไม่ทราบเข้าฌาน 1 หรือ 2 ท่านพระของ นั้นกำลังและท่านก็พูดว่าอยู่จนข้าพเจ้าต้องตกใจสะดุ้งขึ้นและท่านก็ จะตกไปสู่ความฟุ้งซ่านจึงควรทําแต่ ดูๆและหวนได้เป็นห่วงสิทธิ์ที่จะหลงทางถึงโดยไม่ได้คิดว่าจะให้ลูกสิทธิ์ไปหาท่านพระอาจารย์มั่น ทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้ากําลังหลงทางและมิใช่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในขณะที่ข้าพเจ้าพักอยู่ห้องเดียวกับท่านนับ ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เมื่อเห็นว่าควรอนุเคราะห์โดย เพราะท่านก็สละแล้วทุกๆอย่างข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านต้องการจะทรมานข้าพเจ้ามากกว่าจึงให้มานอนร่วมห้องกับ เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้รับการตักเตือนทันทีโดยไม่ ภูมิใจอย่างยิ่งมีได้เวลาที่ดีที่ เป็นกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่การก่อนก็เห็นจะได้จึงมาประสบโอกาสเช่นนี้ซึ่งก็ไม่ใช่นึกคิด ให้ถามแต่ส่วนของข้อปฏิบัติทางๆว่าใครเป็นอย่างไรมีปฏิปทาได้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอย่างไร 23 ตอนจำพรรษาอยู่บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็ญจังหวัด 2460 ในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่น การปฏิบัติธรรมอย่างได้ผลแล้วท่านก็เริ่มอบรมพระภิกษุสามเณรอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ท่านไม่ต้องการอยู่รวมกันหลายองค์เพราะจะอบรม ให้ยิ่งไม่ต้องกังวลกับใครแต่ๆไปการที่บรรดาศิษย์ เป็นเหตุสําคัญท่านจะชะให้พระหรือโยมไปตามพระ ผู้คนได้แตกตื่นกันไปหาท่านอย่างล้นหลาม เก็บตัวแสวงหาความสงบด้วยใจจริงโดยความบริสุทธิ์ในการแสวงหาธรรมะปฏิบัติการอยู่ 24 ตอนกําหนดรู้วาระจิตของพระอาจารย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติเข้มแข็งและจะพึงเห็นอัต ได้เบิ่งเพ็นมาพอสมควรที่ซึ่งท่านไดได 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 23 นาฬิกาท่าน ท่านอาจารย์มั่นมิได้ร่ำเรียนพระปริยัติ 5 ประโยคจะต้องมีความรู้กว้างขวางมาก ท่านก็ทราบว่าราชจิตของท่านพระอาจารย์ว่ากําลังจะคิดดูถูกท่านอยู่และความคิดเช่นนี้ย่อมเป็นภัยแก่การบําเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งท่านจึงลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินไปที่ นี่เธอจะมานั่งดูถูกเราด้วยเหตุไรมหามหาปิ่นได้ฟังตกใจสุดขีดเพราะไม่ กระผมกำลังนึกถึงท่านพระอาจารณ์ในด้านอากุศจิตกระผมขอกราบเท้า จงเอาหัวศรรมให้แก้กระผมเถ이드� แต่งแต่วันนี้ต่อไปกระผมจะบังคับจิตไม่ให้นึกคิดสิ่งที่เป็นออกุศรจิตอย่างนี้ต่อไปอีกตรงนี้รรถพระเจ้าขอแส้ข้อความตอนเฉียงใหม่ให้ท่านดูฟังได้ทราบตอนสำคัญไว้ 25 ตอนครั้งหนึ่งรู้วารจิตหลวงตา จึงได้ข่าวว่าอยู่บนภูเขากับพวกหมู่เซอจังหวัด เมื่อพบท่านแล้วคงจะได้ธรรมะแสงสว่างไม่ยากนักจึงได้อุตสาหติดตาม 2-3 องค์คอยปรนิบัติอยู่ 3, อง 3 กราบแล้วท่าน เธอตามหาเรามานานแล้ววันนี้มาจากไหนหาเรามานานแล้ววันนี้มาจากไหนสามหลวงตาก็ ทั้ง 3 หลวงโดยไม่ต้องออกปากถามเลยเล่าว่าไม่ว่าพวกฉันจะนึกอยาก ภรรยาของเราอยู่กันอย่างไรหนอลูกของฉันคนลูกหญิงเป็นสาวยังไม่ได้แต่งงานเลยอีก ได้รู้เรื่องราวของเราหมดและในวันนั้นก็ๆใกล้ท่านก็ยกเอาเรื่องว่าดูสิทั้ง 3 หลวงตา น่าอับอายท่านผู้รู้นี่น่ะหลวงตาเธอเป็นพระกี่เองพวกเราทั้ง 3 อาย โดยมีทั้งหมีทั้งเสือทั่วไปได้ 26 ตอนทดงไปณถ้ำผาบิ้ง 2461 หลังจากจู เดินทุรดงไปแต่องค์เดียวจนบรรลุถึงถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลย คำสอนของพระพุทธองค์จริงหรือในเมื่อได้ใคร่ครวญทั้งความนึกคิดอันเป็นภายนอกและพิจารณาตามญาณอันเป็นภายในท่านก็ และได้แนะนําสั่งสอนผู้อื่นได้ปรากฏว่าอันที่จริงอริยธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนแต่เพราะเหตุที่ผู้ศึกษาไม่ได้ทําให้เป็นจริงขึ้นจึงปรากฏว่าเป็นสิ่งลึกลับยาก โปรดเวญจวัคคีย์ให้ได้สําเร็จเป็นพระนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงชี้ลงไปที่กายคือรูปของเวญจวัคคีย์นั่นเองได้ทรงแสดงรูปังภิกขเวอนัตตารูปไม่ใช่ตนแม้รูปของเวญจวัคคีย์ก็มีอยู่แล้วทําไมเวญจวัคคีย์จึงไม่พิจารณา ข้อนี้ก็เป็นเช่นกับตัวของเรา แต่ว่าการได้รู้ข้อปฏิบัติเพื่อความรู้จริง ได้รับความสงบความเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่ ในธรรมะปฏิบัติจิตอันเป็นภายในนี้มันไม่ไปนรกหรอกแต่ว่าการๆหากเราเองเมื่อได้ ความเจริญทุกหมู่ทุกคณะแต่เพราะ ความจริงดาบททั้งสองก็เป็นผู้สําเร็จฌาน ก็เป็นเบื้องต้นแห่งการดําเนินไปสู่ความหมดจดจากกิเลส เลยมิใช่แต่จะเอาแต่ทําจิตอย่างเดียวต้องเบาแม้ว่าจะพยายามทําจิตสักเท่าใดก็ตามถ้า ด้วยว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะต้องพยายามปฏิบัติให้ การบำเพ็ญจิตก็เช่นเดียวกันควรจะได้กำหนดข้อปฏิบัติอันเป็น ในปีนั้นท่านได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆอันที่จะจัดนําไปเพื่อความเจริญจากมารยาทที่ต่ําไปที่สูงอันนี้ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วย 17 ตอนคำนึงถึงท่านพระสารีบุตรและคำนึงถึงวาสนาของตัวท่านเองหลัง ซึ่งจะป้องกันความงมงายต่างๆเช่นสีผ้าท่านก็กําหนดได้ว่าในครั้งพุทธกาล ซึ่งครั้งนั้นได้ชวนพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญ ขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในถ้ํานั้นได้ยินเข้าก็ต้องการที่จะให้พระเถระ บิดามารดาตอบว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นที่สุดเทวดาที่สิงอยู่ แล้วเด็กก็หายทันทีนั้นก็ออกจากร่างเด็กเด็กก็หายทันทีรุ่งเช้าพระโมคคัลลานะ ท่านจะนํามาทําไมเพราะเหตุใดท่านพระโมคคัลลานะถามเพราะว่าเทวดาไปบังคับเขาพระสารีบุตรตอบส่วนท่านพระโมคคัลลานะได้พิจารณาก็ทราบ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้พูดเป็นอุบายว่าความบริสุทธิ์ของเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผ่องใส ในราตรีหนึ่งระหว่างการเข้าพรรษาขณะที่กําลังบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ 7 พระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วได้พิจารณา พอรุ่งเช้าออกจากสมาธิแล้วรุ่งเช้าออกจากสมาธิแล้วความรู้เหล่านั้นปรากฏว่าลบเลือนไปเสีย ความรู้ที่จะพึงแตกฉานในพระ แล้ว 28 ตอนเริ่มอบรมพระภิกษุสามเณรอย่างเด็ด เป็นปีที่เริ่มแนะนําข้อปฏิบัติแก่พระภิกษุ แห่งการดําเนินจิตเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากท่านทุกองค์เหล่านี้ได้บําเพ็ญได้ เป็นต้นว่าญาณระลึกชาติผลหลังได้ญาณรู้จักเหตุหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้ว และยานเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อย่างดีพิเศษญาณเหล่านี้เป็นอุปกรณ์อย่างดีพิเศษในอันที่จะดําเนิน ก็จะก้าวเข้าไปสู่ความพ้นจากทุกข์ไม่ได้แม้ ไม่ผลทุกข์ไม่เข้าถึงอริยสัจแต่กลับตกๆเพราะมันวิเศษแท้ทั้งเจือกเย็นทั้งสว่างอนาคตตามความประสงค์ผู้ คือการถือตัวว่าดีกว่าใครๆไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสหธรรมิกหรือศิษย์ถามว่าศิษย์สู้ มันเห็นหางของมันมันก็กินหางของมันหางของและท่านก็อธิบายว่ามันก็กินหางของมันกินไปกินไปจน หรือต่อครูบาอาจารย์ของตนหรือบุคคลตามคือว่าครั้งแรกๆ นี่คือความเสื่อมแห่งญาณลูกศิษย์ก็มีหลายองค์ที่ต้องเสื่อมลงจากญาณเหล่านี้อย่างน่า เข้าสู่อริยสัจแต่ว่าวิญญาณแหลมคมดีเอา เมื่อหมู่คณะที่อยู่รวมสํานักกับท่านประพฤติผิดธรรมวินัยในข้อวัดปฏิบัติแม้เพียงเล็ก ขณะนั้นท่านพระอาจารย์หนูใหญ่กําลังทําท่านว่ากําลังฉันอาหารกันอยู่ท่านจึงไปที่ท่ามกลางหมู่คณะ และสมณเณรผู้ทำก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรๆเพราะเหตุนั้นหมู่ เป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมากแต่ ท่านพระอาจารย์ท่านหลังจากเล่าความเป็นไป กว่าจะทํามันขึ้นมาได้แสนยากลําบาก มันทําให้เกิดความสุขอย่างน่าของหมู่โยคาวจารย์ทั้งหลายจริงๆมีหนําซ้ําที่นี่เองเป็นที่หมดไปจากกิเลส ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ชี้ตัวอย่างท่านพระอาจารย์เทศเชสรังสีว่าท่านเทศนี้ได้ติดอยู่ในญาณนี้นานยิ่งกว่าใครๆในระยะที่ท่านเทศหลงอยู่ในญาณนั้นเรา 12 ปีเพราะว่าท่านพระอาจารย์เทศได้ติดอยู่ในญาณถึงปี ครั้งเมื่อท่านอาจารย์เทศแก้ไขตัวของท่าน 12 ปีถ้าไม่ได้ท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขเราแล้ว ส่วนความดีที่มีพร้อมทั้งเหตุและผลติดดีเนี่ยแก้ไขยากผู้ติดดีจึงต้อง ก็กลับกลายเป็นวิปัสสโนจนเกิดแสงสว่างขึ้นไปได้การเป็นวิปัสสโนปกิเลสนั้นคือโพภาโสแสงสว่างไม่มีประมาณแสง เพราะแสงสว่างที่จัดเข้าไปในวิปัสสนานี้เป็นแสงที่เกิดจากการเห็นของหา สงสว่างที่เห็นของจริงนี้ท่านจึงจัดเป็นวิปัสนูปกิเล็จเพราะไปหลงเข้าแล้วหาวดีแม้เพียงเทวนี้ความจริงมันเป็นเพียงเครื่องมือพิจารณาต่อไปท่านจึงห้ามติดเช่นโอภาคแสงสว่างไม่มีประมาณเกิดขึ้นในคณะจิตสงบลึกซึ่งมองเห็นชัดเจนเป็นแสงสว่างจะหาสิ่งเปรียบเทียบยากเหมือนบรรุชิพยะักขุยาณเป็นต้น ญาณความรู้ไม่มีประมาณความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นต้นแน่ เลยเข้าใจว่ารู้นี้เป็นธรรมแท้จึงเป็นกิเลสเป็นเหตุให้ถือตัวปีติความอิ่มใจ ปิติที่จัดเป็นวิปัสสนาเช่นเห็นว่าธาตุทั้งหลายสักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมธาตุ เป็นก็เลยจะเป็นทางให้ยุดพิเศษหรืออมตะธรรมก็เลยจะ เพราะสงบจริงจึงจะเห็นธาตุเป็นธาตุจริงซึ่งสามารถสุขะความสุขอัน หรือชั่วครั้งชั่วคราวไม่จัดเข้าในชั้น อธิโมกความเป็นชิติธรรมใจเชื่อของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นชิติธรรมอาศัยอวิชชาเป็นเป็นอันว่าถึง แต่กรุงเทพฯนั้นน่ะมีจริงพอเขาเดินทางมาถึงโดยถือเอาลำปางเป็นกรุงเทพฯเมื่อน้อมใจเชื่อเช่นนี้เป็น ยิ่งบำเพ็ญยิ่งละเอียดขึ้นเป็นลําดับน่าทึ่งน่าอัศจรรย์มากมายเหลือจะนับจัดประมาทมีสิ่งประหลาดมากมายทีเดียวจึง เป็นกิเลสตัวใหญ่กั้นความดีที่กําลังจะก้าวหน้าไปอย่าง หากโหมความเพียรอย่างไม่ปราณีปราศัยนี่ซึ่งทํา ถึงกับจะกั้นความเจริญชั้นสูงต่อไปแต่การจะถือเอาวิปัสสนาข้อนี้มาทําให้เกิดย่อหย่อนในความ จึงเติมเข้าไปอีกเกินความพอดีเรา แต่ว่าไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะดีสัก ความสงสัยก็ตามมาก็จะกลับกลายเป็นอุปกิเลสไปอุเบกขาความ มาวางเฉยซะก่อนเป็นการคํานึงเองหรือเป็นการชิงสุกก่อนหามท่านจึงจัดว่า ไม่เชื่อว่าพอใจในสถานที่ต้องการเชื่อว่าพอใจในสถานที่ต้องการเพราะจะ ในการที่จะบำเพ็ญให้ก้าวหน้า 9 ตอน 2463 ถึง 70 การโดยส่วนมากท่านย้ายสถานที่อยู่เสมอพรรษาของๆและ แม้ว่าท่านจะไปจำพรรษาที่ 19.1 ตรเสนาชนะป่า 2463 ในปีนี้พระ จากแก่การที่จะมาดําเนินกันๆแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็มาเปิดจักรรากการปฏิบัติโดยกําหนดการปฏิบัติอย่างง่ายง่าย 8 เหมือนอย่างแต่ก่อนแม้ ให้เกิดความมักผลธรรมวิเศษนั้นได้อันพุทธบริษัตรในสมัยนั้นบาง เพราะว่าสมณเณรองค์เล็กๆเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ ที่เป็นการเผยแผ่โดยให้บุคคลที่น้อมตัวเข้ามา และช่วยให้บุคคลอื่นนอกนั้นมาร่วมเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นนอกนั้นมาร่วมเป็นสมาชิกในการดําเนินการปฏิบัติจิต ครั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าท่านได้กําหนดวางและการ เป็นผลให้เกิดความมั่นคงในวงการของ พระองค์ก็ทรงชี้ลงไปที่รูปของพระเบนจวัคคีย์เองมิได้ทรงแสดงเกินกว่ารูปของพระเบนจวัคคีย์เลยเช่นทรงแสดงว่ารูปังภิกขเวอนัตตา แม้เราพากันพิจารณาดูรูปก็ต้องไม่ ได้นามว่าวัดอรัญญวาสีมีพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาภโลพระอาจารย์โอนญาณนทิริพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระ ได้ 19.2 ตอนเสนาสนะป่าบ้านห้วยทราย 2464 ท่านพระอาจารย์มั่นรูป แล่สมณเถรี 5 รูปร่วมจำพรรษากับท่านในปีนี้ ถือกันหนักมากซึ่งท่านก็พยายามแสดงเหตุผลและ ก็ให้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเสีย ท่านพระอาจารย์เสาท่านพักอยู่ที่ถ้ำภูผากู่ถึง 5 พรรษาออกพรรษา ซึ่งเป็นบ้านที่ใกล้ของท่านพระอาจารย์อาจารูและออกเดินทุรดงไปทางบ้านหนองแวงบ้านโพญเชียงหวางตามหนทางฉิ่นนี้เป็นป่าดงพง ท่านที่เป็นพระภิกษุสามเณรและเด็กจากนั้นท่านก็ทรดงซึ่ง เป็นผู้เป็นสิทธิ์ของท่านอย่างคือให้ละจากการถือผิดให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงภิกษุทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ ที่เป็นศีตธุดงค์ไปตามหมู่เขาลำเนาไพรนี้เมื่อพักอยู่นานๆเข้าจะ ซึ่งเป็นคฤหัสถ์มาบำเพ็ญก็ได้ผลอย่างน่าประหลาดผู้ที่เป็นพระภิกษุจะมาอยู่ดูดายไม่ปฏิบัติก็จะ พระเก่าๆที่เป็นพระเถระซึ่งติดตามท่านไป จึงได้พาหมู่คณะอันเป็น 10 เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติอีกด้วยภยานีเริ่มมี จึงได้นิมนต์ท่านพระครูอดิไสคุณาธารอากโรคมที่วัดสีสะอาด และฝึกขัดดัดแปลงนิสัยใจคอฝึกหัดดัดแปลงนิสัยใจคอ จนถึงปัจจุบันคือผู้ที่จะบวชเป็นการถาวร ในการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งปรากฏในภายหลังว่าปรากฏในภายหลังว่าได้เป็นคือเมื่อ และมีปฏิพานเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมเป็นหัวองค์ท่านเป็นหัวเดือนสุดแต่ความ ติดตามท่านเป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มั่นตลอดแห่งหนทางการไปจะตัดสิน ท่านก็จะพาคณะเดินทางไปยังประเทศตำบลนั้นนี้เป็นวิธี โดยได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา คือแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ที่บวชใหม่หรือบวชเก่าแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ผล พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ความสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดผลขึ้นจากการ ก็จะอยู่ไม่ว่าได้ประโยชน์ในการบําเพ็ญจริงๆแม้การอยู่จํา เพื่อได้มาซึ่งพระอมฤตธรรมจึงปรากฏว่าได้ดำเนินถูกต้องตาม จะถึงอยู่อาศัยครั้งนั้นแม้แต่พระที่เป็นหลวงตาบวชเมื่อแก่ซึ่งเป็นชาวบ้านโพน ได้อาศัยเฉพาะด้านจิตเจริญภาวนาค้นคว้า 29.3 ตอนณเสนาสนะป่าบ้านหนองลาดอำเภอพุทธศักราช 2465 ท่าน พร้อมและผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่ศิษย์ของท่านพระอาจารย์ทั้ง 2 รุ่น และได้มีผู้ที่ได้รับธรรมชั้นสูงจากท่านจนสามารถสอนธรรม ท่านพระอาจารย์เสาก็ได้มอบให้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้วางแผนงานตลอด เพราะเมื่อดำเนินมาเป็นเวลา 7 ปีนี้เกิดผลสมความ ข้อนี้ท่านยืนยันอย่างแน่แน่การที่ท่านย้ำลงในข้อการพิจารณาโดยอุบายต่างๆนั้นเพราะกลัวศิษย์จะพากันเข้าใจผิดว่าเป็น และพาให้หมู่คณะที่อยู่ในปกครองเขวหนทางตามไปด้วยเพราะท่านว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าเราได้พาพระ ก็เกิดมีพวกหนึ่งแสงซ้ายเกิดมีพวกหนึ่งแสงซ้ายแสงซ้ายบ้างขวาบ้างขึ้นหน้าเราเก่ง ว่าดีแล้วก็จะละจากข้อปฏิบัติที่เราๆที่เรากําหนดให้ๆน้อยๆเช่นสี การจะปฏิบัติเพื่อการพิจารณากายอัน แต่เมื่ออยู่กับเราก็คงเคร่งครัดเพราะ ทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ใกล้ต่อธรรมเกิด ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะแปรผันเป็น เพื่อเตือนสติให้ระลึกถึงความที่ว่าธรรมะปฏิบัติ เป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นเขาก็ถึงพุทธบริษัตรทาง कुछ บริษัทบางจําพวกพาเช่นนับถือนับถือการเข้าทรงผีปีศาจนับถือศาลเจ้าที่นับถือการ ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะนับถือสิ่งเหล่านี้เลยเพราะเมื่อไปนับถือ ที่ดังนั้นจึงปรากฏในภายหลังว่าพุทธองค์ทรงตำหนิแล้วดังนั้นจึงปรากฏในภาย เพราะว่าการแก้เรื่องพูดผี เมื่อท่านแนะวิธีแล้วท่านจะชักให้ไป ความงมงายกับสิ่งเหล่านี้ยังเป็นล่ําเป็นสัง ในเรื่องเหล่านี้พระเถระบางองค์ๆสอน <ม. S 1> ซึ่งบางคนพากันเพราะวิจิกิจฉาภาวนา ในปีนี้ท่านได้แนะนําแก่พระภิกษุ ในการที่จะปราพวกนับถือผิดคือถือพูดผีได้เป็นอย่างดีนับแต่ท่านเนภาคณะออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อพ.2472 นั้นก็ได้เริ่มแก้ไขสถานที่โดยการเข้าไปอยู่ที่นั้นแนะนําประชาชนให้ทราบถึงข้อเท็จจริงจนเป็นที่เชื่อมั่นแล้วถึงข้อที่จริงจนเป็นที่เชื่อมั่นแล้ว ในจังหวัดทั้งหลายจังหวัดทั้งหลายขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาตามที่และพากันได้ทราบความจริงอย่างมากมายคณาจารย์เหล่า 29.4 ตร. เสนาสนะป่าบ้านหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช 2466 ในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่น นับเป็นปีที่ 8 แห่งการแนะนําการปฏิบัติธรรมซึ่ง พระภิกษุสามเณรถ้าหากสอนก็สามารถสอนคฤหัสถ์ได้นับเป็นจำนวนๆแล้วก็ๆผ่าน 8 ปีได้ ก่อนจะเข้าพรรษานี้ท่านพระอาจารย์กู่พระ ท่านพระอาจารย์มั่นได้อยู่ณที่นี้เป็นเวลานานได้ ท่านก็อธิบายเพื่อความมั่นใจและที่แท้คือการพูดด้วยความ เข้ามาศึกษาอย่างใหม่พวกเราก็ไต่ เพราะการศึกษาขั้นต้นนั้นผู้ที่ 70 กว่าปีขึ้นไปแล้วท่าน แม้คือท่านมหาเขียนครั้งท่านเจ้าคุณอริยะเวทีคือ 2485 ถึง 2488 ทั้ง 2, 2 องค์ยังอง แต่ก็ได้ปฏิบัติมานานเชี่ยวชาญการแนะนําทางจิตซึ่งสามารถ ก็ต้องรับภาระนี้ตลอดมาเช่นกันเพราะเหตุที่มีศิษย์ต่างได้บริสุทธิ์แน่ จึงทําให้พระภิกษุสามเณรผู้มีความหวังท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นยิ่งวาระสุดท้ายก็ยิ่งมากขึ้นตามลําดับ หรือไม่พยายามเพื่อการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วท่านจะ ฉันนั้นถ้าหากองค์ใดสามารถอยู่กับท่านมีเพียบพร้อมพร้อมที่จะแนะนําให้แก่ศิษย์ทุกๆองค์ที่มีนิสัย ในข้อนี้ผู้ที่เคยไปอยู่ศึกษาปฏิบัติมากับท่านแล้วจะทราบได้ดีด้วยตน เขาจัดสําหรับข้าวหวานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านเมื่อมารับการศึกษาเพิ่มเติมเข้าใสสนใจมานานแล้วเมื่อมารับการศึกษาเพิ่มเติมเข้ายิ่งทําให้ท่านมี ย่อมเป็นการขัดข้องต่อบุคคลบางพวกเป็นธรรมดาเพราะบางคนหาว่ารุ่มร่ามหาว่าๆนานาท่านพระครูจึงได้นำข้อครหาเหล่านี้เข้ากราบเรียนต่อท่านพระ จึงเป็นการขัดข้องเค้าหาว่าเราปฏิบัติเคร่งครัดเกินไปไม่รู้จักกาลเทศะค่ําครึไม่ทันการทันสมัยท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้ตอบว่าพวกเราผู้ปฏิบัติพระธรรมวินัย ก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ แล้วก็การตามปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นก็คือ จึงได้รับความเย็นอกเย็นใจเป็นไปกับด้วยความเพียรตามสมควรแล้วท่านก็ ทั้งยังไม่มีวัดอื่นที่ใกล้เคียง เราก็ได้ปฏิบัติข้อวัดธรรมจนได้รับผลอย่างพอใจพวกเราแล้วอย่างขาดสิ่งสำคัญคือย่างไม่ได้เป็นธรรมยุติเหมือนท่านเพื่อให้เป็นการสม Jeep ในการเริ่มสายในตัวท่านและข้อปฏิบัติของท่านเราควรทำไทยฮีกรรมส我跟你 เมื่อสําเร็จแล้วท่านพระครูปลัดปอนตาก็พาคณะไปอยู่ที่ และเป็นผู้รักในการปฏิบัติตามแนวของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างดีแล้วอุบาสกอุบาสิกาสืบต่อ 29.5 ตอนเสนาชนะป่ารอบ 2 เพื่อเจริญ 2467 ท่านพระ อำเภอผืออุดรธานีเป็นรอบที่ 2 แต่ย้ายสถานที่ใหม่ เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วว่าเป็น พอออกพรรษาท่านก็จะพาออกทุรดงแสวงหาที่สงัดวิเวกแยกกันออกเป็นหมู่เล็กๆเพื่อ เดินเป็นวันวันเต็มๆจึงจะถึงไกลจากคมนาคมๆชั้นซึ่งไม่ บางครั้งเอาไฟไปเผาบ้านของเขาบ้างคว้างค้อนปลาใส่ไม้ใส่คนใส่สัตว์เลี้ยงบ้างเวลามันจะเข้าไปปทุษ์ร้ายคนในบ้านนั้นได้ ขอนไม้ที่มันเอากว้างไม่หมดก็เห็นทิ้งไว้ ทุกข์แต่เจ้าผีตัวนี้มันรบกวนอยู่เสมอครั้งท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่ที่นั้นพวกชาวบ้าน ท่านก็ได้พยายามเจริญเมตาชานอย่างมากพร้อมทั้งแนะนำให้พระที่ติดตามมาช่วยกันเจริญเมตาชานและได้แนะนำชาวบ้านโดยธรรมเบื้องต้นคือให้ชาวบ้านมาปฏิยานตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาศกอุบาศิกาและให้รักษาศีล 5 กำมบท 10 ทั้งสอนให้ว้ายพระสวดมนบำเพลงกรรมฐานภา เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำทุกวันนับแต่นั้นมา ทางเลยพากันละเลยข้อวัดปฏิบัติเชื่อว่าจะเป็นหญิงบ้านเลยพากัน จึงตามสภาพเดิมของมันต่อไป 29.6 ตอนแนะวิธีการรักษาสุจินโนท่านโนนี้ถือ เพื่อที่จะได้ทราบความตื้นลึกหนาบางของข้อวัดปฏิบัติอันเป็นภายนอก สงบอาพาธของท่านเองด้วยกําลังจิตและระงับซึ่ง ทำให้จับไข้วันเว้นวันและทําให้กําลังสุดลงสุดลง เราได้ใช้กระแสจิตนี้พิจารณากายทุกส่วนจนเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาอะไรที่ไหนต้องพิจารณาให้เห็นสมุฏฐานของมันซะ เมื่อทราบชัดแล้วก็ใช้กระแสจิตเพ่งเข้าไปการเพ่งเข้าไปในที่นี้ก็เหมือนกับเราพิจารณากายเหมือนกันต่างจากการ ท่านได้กําหนดลงจุดเดียวด้วยอํานาจแห่งเพียง 3 วันเท่านั้นก็ปรากฏขึ้นในจิตครั้นแล้วก็หายจากม้ามหย่อนนั้นฉับพลันท่านคํามดู แข็งแรงเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้กองอำเภอท่า ขณะที่นี้เองนับเป็นครั้งสําคัญยิ่งครั้งหนึ่งที่บรรดาท่านผู้สุมโนท่านเหล่านี้ แม้ท่านพระอาจารย์มั่นจะแนะนําเช่นใดท่านทุกองค์ต้องทําตามให้จนได้จนปรากฏจะทําการบวชใหม่เพราะทุก ไถ่ให้นกรรมให้จนเป็นที่เรียบ มีมากมายหลายแห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทย 9.7 ตนเสนาสนะป่าอำเภอท่าบ่อ 2468 ในปีนี้ท่านพระปัจจุบันอำเภอท่าบ่อ พระอาจารย์เสาพักจำพรรษาที่วัดราษฎร์ใกล้บ้านน้ำโขงปัจจุบันชื่อวัดพระงามท่านพระอาจารย์สิงห์มหาปิ่นจำวันษาบ้านหนองปลาไหลสถานที่ท่านพระอาจารย์ ภายหลังจึงเรียกชื่อวัดนั้นว่าวัดพระงามต่อ วิเวกไปทางบ้านหนองปลาไหลและไปถึงบ้านอาการปัจจุบัน ได้กลับกลายเป็นสถานที่สําคัญคือได้เกิดมีพระเช่นพระอาจารย์เกิ่งอธิมุตตะโกและคณะ จึงใคร่ที่จะทดๆท่านพระอาจารย์ๆท่าน ท่านปฏิบัติจิตกรรมฐานเพื่ออะไรได้รับคําตอบว่าเพื่อความบริสุทธิ์ท่านพระอาจารย์เกิงถามว่าความบริสุทธิ์เกิดจากอะไรได้รับคําตอบว่าเกิดจากอริยสัจจะธรรมท่านพระอาจารย์เกิงถามว่าสัจธรรมอยู่ที่ไหน <t> <iro> <iro> ทำไมตอบว่าเพราะเขาไม่รู้วิธีการถามว่าไม่ตอบว่าตอบว่าเพราะเขาไม่รู้วิธีการถามว่าทำไม แม้อริยะสัจธรรมเท่านี้เองเช่นเดียวจนเกิดความเย็นใจเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะพระ เพราะได้ปฏิบัติจิตกันทั้งสิทธิ์อาจารย์ยอมสละบวชทําไทยหิรกรรมใหม่เป็นพระธรรมยุทธ เพราะหลังจากท่านพระอาจารย์เกิ่งได้มา ซึ่งครูศีลาก็ได้สละวัดและศิษย์จํานวนมาก 29.8 ตนเสนาสนะป่าบ้านสามผงจังหวัด 2469 ท่านพระ จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านสามผุงอำเภอสีสมกรามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์สิงห์กับท่านพระอาจารย์มหาปิ่นจำพรรษากันที่บ้านอากาศ แล้วก็ขึ้นไปที่เชียงคานจังหวัดเลยขึ้นไปที่ภูฟ้าภูหลวงแล้วก็กลับ ในการประชุมครั้งนี้ท่านได้วางระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ป่าเกี่ยวกับการตั้งสำนักปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางแนะนำสั่งสอนปฏิบัติจิตเพื่อให้คณะศิษย์นำไปปฏิบัติให้เป็นระเบียบเดียวกันเมื่อเสร็จจากการประชุมในครั้งนี้ทุกองค์ต่างก็แยกย้ายกันออกไปทุกดงหาวิเวกตามสถานที่จังหวัดต่างๆโดยไม่ได้มีการนัดแน่ว่าจะไปพบกัน แต่ด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทุกๆองค์ก็เผอิญไปพบ กำลังร่วมกันเดินทางมุ่งหน้าเข้าเขตสกลนครจึงได้เดินทางไปขอนิมนต์ให้มาพักอยู่ที่ ได้เห็นพระปฏิบัติมาอยู่รวมกันมากมายเช่นนั้น ท่านทั้งสองก็ให้อุปการะเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการอนุเคราะห์จึงได้อนุมัติให้พระไปฉันๆไม่มี พระอาจารย์ทั้งสองและศานุศิษย์ต่างก็แยกย้ายกันทุรดงไปคนละทิศละทางตามอัธยาศัยท่านพระอาจารย์มั่นทุรดงไปทางบ้านเหล่าโพนค้อได้แวะไปเยี่ยมอุปชาพิมซึ่งท่านองค์นี้เป็นนักปฏิบัติมา และพระอุปชาพิมก็ได้ยกย่องท่านพระอาจารย์มั่นว่า จึงได้พร้อมใจกัน 19.9 ตรเสนาสนะป่าบ้านหนองขอนอำเภอบุงอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี 2470 ในพรรษา พระอาจารย์สิงขัณฑยาขโมจํพันษาที่บ้านขัวสะพาน พระอาจารย์ลีธรรมทโรณที่บ้านหนอง 2 ห้องอำเภอ 30 ท่านก็เป็นพระมหานิกายเหมือนกันเราได้อธิบายธรรมะปฏิบัติ เราในที่นี้หมายถึงท่านพระอาจารย์คงมาท่านพระอาจารย์มั่นก็ ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นและท่านธรรมทโรพระอาจารย์อ่อนญาณศิริ พระาczา произ statement พระาะแชนelshaby masuk. ครับ Ergebreich teaching พระятuanศตร์ 사람이 พระ," hey coach mat. พระ.คุณ," 서� размер enroll a nett. พระกroad mem היה พระกelier livinguan εί โด பหรือ พระ false knowledge uan, พ collapsed Balana państwo ในพัจจุบั리 พระ may are here พระตอาศโสโก jaajan พระ assim for benefit ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาพำนักอยู่ในจังหวัดอุบลทุกองค์เหล่านี้ก็ได้ติดตามมา จะออกจากสัมมาปฏิบัติคณะไปแสวงหาสถานที่วิเวก ยากที่จะทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ หรืออาจถึงปวยการไม่เป็นประโยชน์แก่ตนหนึ่งการอยู่ ตลอดถึงการแนะนําคร่ําสอนฝึก ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ณที่อุโบสถนั้นครั้นท่านปรารภใน แนะนำพระภํสรตามแนวทางที่ท่านได้ พี่น้องสาวเป็นผู้อุปถัมภ์รักษาทุกประการแม้มารดาท่าน ตราบเท่าชีวิตของแม่ก็ขอให้ 30 ตอน 12 ปีพุทธศักราช 2471 ถึง 2482 การอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ คือวันและปีตั้ง 730 วันดูเหมือนว่าเหมือนว่าวัน 2 วันเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะอะไรอัน ท่านจะแก้ไขให้ยังจะแจ้งทุกอย่าง 12 ปีเป็นเหตุอันใดท่านจึงใช้เวลาอยู่ที่เชียงใหม่นานมากข้าพเจ้าจึงหาโอกาสถาม นับว่าเป็นความรู้ที่ได้บุคคลตลอดๆก็นับว่าน่าศึกษาอยู่มากทีเดียวข้าพเจ้าจึงจะ เพราะเพียงแต่ท่านเห็นว่าเองก็ไม่พูดติดต่อกันเพียงแต่ท่านเห็นว่าข้าพเจ้าสนใจการอยู่เชียงใหม่ของท่านท่านก็เล่าให้ฟังเป็นตอนๆครั้งละเล็กครั้งละน้อยเพื่อความละเอียดอ่อนและแน่นอนข้าพเจ้าก็อาศัยถามพระเถระบางท่านที่ท่านได้อยู่ใกล้ชิด เพราะท่านพูดอะไรออกมาท่านพระอาจารย์ ตอนจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์พุทธศักราช 2471 ท่านเล่าต่อไปว่าเมื่อ พ.ศ. 2471 ท่านจำพรรษาอยู่ ได้ไปจัดการดําเนินงานปรับปรุงวัดเจดีย์หลวง การฉันอาหารในเวลาวิการก็ไม่ถือคงรอบคอบน่านับถือจริงๆท่านเจ้าคุณอุบาลี เมื่อออกพรรษาปี 2471 ลุมาถึง พ.ศ. 2472 จึงได้นิมนต์เรามาถึงพระอาจารย์มั่นไปซึ่ง เป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระมหาสมณะ หากเราจะทัดทานก็ดูจะเป็นการขัดผู้ใหญ่ซึ่งกําลังป่วยอยู่และท่านก็อุตส่าห์ไปขอฐานาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าให้ด้วยใน ที่เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ใน 2472 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าวัดเจดีย์ สมณะภุบาลสกอุบาสิกาบำเพ็ญกรรมฐานท่านเล่าว่าแม้เราจะพยายามแนะนํา ที่จะเอาเกลือมาแลกพิมพ์เสนวันและคืนที่ล่วงไปจะเป็นการเสียประโยชน์อย่างยิ่งทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่มีความหวังดีโดยต้องการจะให้วัดเจดีย์ดีซึ่ง เราเองก็เคารพท่านอยู่ส่วนการเคารพก็เคารพ ทั้งๆที่สิ่งนั้นจะเป็นโทษ 30.2 ตอนคืนตำแหน่งเจ้าอาวาส จำเป็นจะต้องฝึกฝนตนต่อไปหาก เมื่อมีคนนับถือมากลาภสักการะก็มากตามขึ้นๆจางลงจางลงทุก จะให้คนนับถือมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการต่างๆนี่คือฆาตกรรมตัวเองก็น่าฟังข้าพเจ้านั่งฟัง ท่านก็พูดว่าภัทรยศประกาศนียบัตรพวกเจ้าจงพากันอยู่วัดเจดีย์หลวงนี้เถิด เป็นบึ้งหน้าบึ้งหลังหรือความเครือแกร่งไม่ได้เป็นกุโลบายอย่างบางมุ้งบากและสิ่งจําเป็น แม้จะมาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงก็ยังปฏิบัติทุก รอว่าเข้าป่าก่อนรออยู่ในดงในเขาก่อนจึงจะทํารอเข้า จึงมุ่งตรงไปทางอำเภอพราวเราก็เดิน ในขณะนั้นถ้ําชิงดาวไม่มีการประุงแต่งอะไรเลย ทั้งอาคารร้านค้าประกอบอาชีพร้านค้าประกอบอาชีพและพยายามปรุงแต่งๆเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติมาเป็น หากจะมานั่งปฏิบัติหรือต้นไม้ป่าสมาธิใน สถานที่น่าสพึงกลัวแกผู้ยังหนาไปโดยจิเลสแต่เป็นที่น่าอยู่แกผู้บำเพนตะบะพรมจรรรเพราะยิ่งป่าใหญ่ยิ่งครึ้มยิ่งวังเวงก็ยิ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งท่านประจารย์มั่นเล่าว่า ครั้งเรагแรกเราก็พักอยู่ตอนตีมเขา และบำเพนสมณธรรมต่อไปก็ 1900 ขยับอยู่ที่ปากทั่ม ท่านใช้ก้อนหินนั้นเป็นที่นั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ไม่ว่าจะเดินหรือนั่งข้อนี้ทําเอาข้าพเจ้าสงสัยขึ้นได้ถามท่านว่าที่ว่าเหมือนอยู่ในโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ เพราะความยึดๆนานานั้นมาจากความยึดๆนานาทั้งได้บำเพ็ญ ต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเรา จะพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยจะออกท่านได้พยายามอยู่หลายเวลาแล้ว หรืออีกอย่างหนึ่ง 5.3 ตอนพระวุฒิยังนึกถึงอดีตเมื่อ เดินสะดงไปกับพระอาจารย์กงมาจิรคุณโยไปหาถ้ําที่จะ ในเมื่อข้าพเจ้ากําลังฝึกหัดใหม่ๆแล้ว แต่จึงเป็นประโยชน์และมีโทษเหมือนกันที่จะกําหนดรู้ให้คงอยู่ได้ตามใช่ ข้าพเจ้าเคยตายมาแล้วเพราะตอนนั้นไข้หนักจนจิตออกจากร่างชีภจรถอนทุกคนรวมทั้งพระอาจารย์กงมาและ จนมีความรู้สึกขึ้นทุกๆคนรวมทั้งท่านพระอาจารย์ๆไปแล้วแต่ยังกลับฟื้นคืนชีพมาพบ อันพอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างมาพูดประการซึ่งก็นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นท่าน กำหนดจิตอย่างหนักเพื่อให้เกิดพลังของการพิจารณา ปฏิโลมคือไม่ยอมเกิดขึ้นดับไปกำหนดพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาถึง 2 นาฬิกากลาง 2 ปรากฏ ถ้ำจึงดาวได้แยกออกเป็น 2ๆการหายใจที่เคยอึดอัดหายหมด เคยตนมีผู้ที่หลงอยู่ในสมถะมากมายหลายองค์เพราะว่าการหลงอยู่ในสมถะก็เท่ากับท่านเค ก็ได้มารับประโยชน์พอสมควรและได้ทั้งนํามาเล่าสู่ลูกศิษย์เช่นข้าพเจ้าและอื่นๆอีกมากเพื่อ เล่าให้ฟังก็รู้อยู่ทั้งนั้นเลื่อมใสเราก็เลื่อมเชื่อเราก็เชื่อเป็นประโยชน์เราก็ และอีกประการๆองค์อื่นก็คงจะเป็นเหมือนกับข้าพเจ้าท่านด้วยเหตุผล 2 ประการๆจึงทําให้การพูด 30.4 ตอนพระอาจารย์มั่น 2473 ที่จริงดอยจอมแตงนี้เป็นทางทางเดียวกันกับทางไปถ้ำเชียงดาว ฐานะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์อากาศ ผู้ชาวบ้านได้หาฝืนมาไว้สําหรับให้ท่านก่อไฟผิงยกเป็นกุฏิมุงด้วย มาคอยดูแลช่วยอยู่นั่นเองกันเหมือนกับอยู่วิเวกอย่างดีที่สุดจึงทําให้หวนระลึก จิตอวิเวกเป็นเหตุให้บังเกิดอุปธิวิเวกข้อ ท่านได้เน้นว่าวิเวกนี้มันเกิดจากความชินชาได้เหมือนกันเพราะ ป่าดงถ้ำแต่ว่าอยู่ซะจนถ้ำป่าภูเขานั้นก็เป็นเพียงสถานที่ การอยู่ในจึงต้องควรระวังวิเวกแม้จะเป็นป่าเขาก็ มีบริเวณภูเขาไม่ใหญ่โตอะไรนักชาวบ้านเหล่านี้ก็มีศรัทธาดีอยู่แม้ว่าพวกเขาจะ ทำเป็นคันเหมือนคันธงกฐินของเราแต่เค้าเอาผ้าบางๆมาทําธงยาวเกือบถึงพื้นดินแล้วเค้าก็เอาเข็มมากลัดติดกับผ้าตั้งแต่โคนธง ซึ่งจะไม่ใช่ทางรัฐบาลแต่งตั้งเค้าตั้งกันขึ้นเองแล้วก็เชื่อฟังเปล่าขโมย ที่จับตัวมานี้ผิดแล้วไม่ใช่ผมจับตัวมานี้ผิดแล้วไม่ ถ้าเป็นขโมยจริงๆตะกลัวที่หลอมละลายนั้นจะพุ่งขึ้นมารับนิ้ว การล่ามซูไว้ 5 วันบ้าง 10 วันบ้างแต่ เพื่อเพียงมีชีวิตไปวันวันหนึ่งเพียงมีชีวิตไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเป็นพอความจริงมีอาหารเพียงประทังชีวิตและ ก็จะทําให้การทําความเพียรลําบากขึ้นเช่นฉันเนื้อไข่มากๆก็จะทําให้จิตใจฟุ้งมากกว่าการฉัน จึงเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์หลายทางเป็นเหตุให้ได้ประโยชน์หลายทางคือทางหนึ่งได้แล้วจักใจมากเรื่องของอาหารนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตา ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารคือถ้าไม่มีอาหารก็แล้วท่านได้ จึงเป็นการเสียสละของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทาง ต้องจัดอาหารกันใหญ่ไม่ได้ทั้ง พรตทุกดงเป็นการแสวงหาวิโมกข์ ท่านพูดถึงฌานต่างๆและสมาธิว่าส่วนนี้ เมื่อบุคคลยังเป็นไปเพียงแค่ชาญสมาธิบุคคลท่านเล่าว่าเป็นไปเพียงแค่ฌานสมาธิย่อม จึงทําให้โดยตัวเองไม่รู้ตัวเลยความผันแปรต่างๆของนักซึ่ง มีสิ่งอันเป็นพิเศษอยู่นี่แหละคือความเห็นเป็นพิเศษอยู่นี่แหละคือความเห็นความเข้าใจ บำเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณรต่อไปในการข้างหน้าว่าจะทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรเพราะ จะได้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญขึ้นส่วนหนึ่งแต่จะต้องทราบความจริงว่าความกว้างออกไป คือฌานบางหมู่บางพวกตั้งก๊กขึ้นสอนกรรมฐานกันไปตามอารมณ์นี่แหละเป็นภัยอยู่มากเป็นทางให้เกิด เขาเข้าใจว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวลาแห่ง ได้ 30.5 ตอนจำพรรษามีงูพุทธศักราช 2474 หลังจากที่ท่านได้พักๆ เพื่อท่านเล่าต่อไปว่าหาความสงบเป็นต้นว่าเสือช้างงูก็มากก็มากหากแต่สัตว์เหล่านี้ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเฉพาะนี้หมู่บ้านที่ไม่ใช่ชาวเขาพากันทําไร่กันอยู่ประมาณ 10 กว่า เมื่อน้ำไม่ลดท่านก็ข้ามน้ำไปบิณฑบาต ก็ยิ่งทําความลําบากแก่ชาวบ้านที่จะ ท่านก็ได้รำพึงและพูดไปเปลยออกว่าพญานาคเอ๋ยพวกเธอจะเล่นน้ํากันไปถึงไหนจนน้ําหนองไป ได้มาช่วยปรนิบัติท่านโดยการหาฟืนมาและก่อกองไฟถวายตลอดทั้ง เหมาะแก่การอยู่ของพวกสัตว์เลื้อยเพราะมันตัวใหญ่เหล่านี้แต่ อย่าไล่มันเลยมันจะมาอยู่เป็นเพื่อนเราลองให้มันอย คล้ายกับมันอยากจะทําการปฏิบัติอะไร 2 ครั้งแล้วก็เข้าไปขดอยู่ที่เดิมมันอยู่กับท่านจนท่านจากมันไปมันก็หายไปเหมือน มัน 30.6 ตอนคนออกลูกเป็นงู ประมาณปี พ.ศ. 2481 พบกับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหมอสมร เมื่อหมอสมรนี้ได้สนิทสนมคุ้นว่าผมนี้เป็นญาติกับงูข้าพเจ้าก็ไม่ใคร่จะสนใจนักนึกว่าคงเป็นเรื่องนิยาย หมอสมรจึงเริ่มเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วชั่วอายุคน แห่งการรักบุตรของตนอยู่จึงห้ามการที่ฆ่าบุตร 7 คนชาย 5 หญิง 2 คนสุดท้องเป็นหญิงครั้น ก็เกิดความระแวงแก่คนโดยทั่วไปอาจจะเกิดอันตรายความที่หมอสมอได้เล่าให้ฟังแก่คนเลยเกิดเป็นบ้านงูขึ้นทั่วแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นอาจจะเกิดอันตราย แม่พูดอย่างไรจะเช่นยังบอกให้อยู่เฉยๆเค้าก็นอนตามความแนะแม่ของงูนี้ไม่กลัว บางครั้งจะจับคล่ำเล่นเหมือนกับว่ามัน ครั้งต่อมาผู้เป็นแม่ก็จนใจอยู่มาวันหนึ่งในขณะนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมากเพราะเจ้าก็ใหญ่ขึ้นทุกวันเกิดไม่ไว้วาง งูก็เป็นผู้ว่างงานอยู่เมื่อแม่คนแล้วก็โค่งหัวลาแม่บังเกิดเกล้าเลื้อยประมาณ 5-6 ครั้งแล้วก็เลื้อย 7 วันและ เดือนจนถึงปี 1 เค้าจะมาเยี่ยมแม่ของเค้าครั้งในการเด จนแม่เค้าถึงแก่กรรมและส่วนงูผู้เป็นพี่ จะมอบสมบัติส่วนตัวให้แก่น้องๆจากไปนับแต่นั้นจนบัดนี้ก็ ต่อไปก็จะได้เริ่มพูดถึงมันงาพืชไร่ต่างๆนำ ที่นี่ไม่ใช่ภูเขาเป็นที่ราบแต่เป็นป่าไม้ใหญ่มีพวกไม้ยางและไม้สักมากเป็นป่าระหงไม่ใช่ป่าทึบท่านพูดว่าเราต้องการหาที่ปรุงโปร่งจำพรรษาสำหรับปีนี้เพื่อจะได้พิจารณาถึงการอยู่ป่าที่จะอยู่ได้นานๆเพราะป่าบางป่าชุ่มเกินไปป่าบางป่าทึบเกินไปอยู่ลำบากอาจเกิดโรคภัยต่างๆ ทั้งเป็นการบั่นทอนกําลังของร่างกายแต่ว่าป่า ถึงแม้จะมีการถากถางก็ไม่ต้องทำอะไรมากบางแห่งไม่ต้องถากถางเลยก็ใช้เป็นสถานที่อยู่ได้และท่านได้เลือกเอาสถาน ก็ดีใจเหลือหลายดีใจเหลือหลายเพราะนานปีจึงมีตุ๊เจ้ามาโปรดอย่างนี้เดินไปทําบุญที่วัดตั้งหลายชั่วโมงเขาก็ยังอุตส่าห์ๆและ ก็ทําให้เขาดีใจเหลือหลายจึงได้ช่วยท่านทําเสนาสนะพอที่จะอยู่เช่น ตรงไหนมีต้นไม้คลึ้มๆก็ไปบูชากันก็ไปบูชากันเห็นก้อนหินใหญ่ๆก็ไปบูชากันถึงปีเช่นๆ แต่สภาพจิตของเขาก็อาจจะดีขึ้นว่าเขาได้ 30.7 ตรจํพรรษาณวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช 2475 ท่านเคยพูดเสมอว่าเคยพูดเสมอว่า ผู้จะปฏิบัติอันจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือเป็นคฤหัสถ์นั้น ก็ต้องนำมาบำเพ็ญยาตัตถะจริยาโลกัตถะจริยาคือทำ บริษัทนี้ทําอะไรไม่ควรทําอะไรเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อ 2486 ถึง 2487 อยู่บนภู ท่านจะขึ้นไปนั่งสมาธิบนก้อนหินสูงเด่นพอ หรืออวดของตัวว่าดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็รู้จักบริษัท ท่านได้ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเมื่อพระโมคคัลลานะเถระกับพระลักขณเถระไป พระเถระเห็นดังนั้นแล้วจึงยิ้มขึ้นอนพระลักษณ์นะเถระถามเหตุถามเราในสำนักพระศาสดาเถิดท่านทั้งสองเที่ยวไปบินทบาดในนครราชคฤเข้าไปเฝ้าพระศาสดาอนพระลักษณ์นะ พระโมคคัลลานะจึงตอบว่าผู้มีอายุผมเพราะอัตภาพอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระ ทรงรับรองถ้อยคําของพระเถระแล้วจึงกล่าวว่าเปรตตัวนั้นเราได้เห็นมันแล้วนับ เบรดนั้นได้ทํากรรมอะไรมาในที่ตรงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ๆอันเป็นภายในแห่ง ถ้ามีการเข้าใจอย่างผิดๆถูกๆเพราะความไม่เชื่อณประสาอะไรกับเราผู้เป็นสาวกรุ่นนี้เล่าแม้แต่พระ คือเพียงตาเนื้อแต่ไม่มีตาทิพพจักขุคือตาภายใน จะมีความรู้เรียนจบพระไตรปิฎกแต่ตาในไม่มี มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมังคละได้สร้างพระวิหารถวายโดยเสียสละทรัพย์ เศรษฐีจึงพูดไปเปลื่อยขึ้นว่าหมอคนนี้เป็น รู้ว่าพระคันธกุฎีอันเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นที่รักของเศรษฐีจึงได้ไปเผาพระกับดีใจหัวเราะเพราะจะได้ทําพระผู้ซึ่งได้ทําเผาพระของ ก็ได้ไปบังเกิดในเอเวจี 2475 นี้ท่านพระอาจารย์มั่น ให้เป็นประโยชน์แก่บริษัททั้งหลายเป็นประโยชน์แก่บริษัททั้งหลายและก็ได้ผลตามที่ท่านเล่าว่ามีพุทธบริษัทมาเรียนกรรมฐานกันมากทั้งพระภิกษุสมณเณรและอุบาสกอุบาสิกา ต่อเมื่อเข้าปฏิบัติจนเกิดผลคือความๆกันไปก็ทําให้เกิดความ Thank <laughs> you. 30.8 ตอนจำพรรษาที่อรัญญปปตาบ้านห้วย 2476 ท่าน ด้วยความประสงค์ที่จะให้พระภิกษุสามเณร จะกลับมาแนะนําสั่งสอนประชาชนในๆก็มี พยายามหลีกเลี่ยงหมู่บ้านใหญ่ๆเพราะกลัวคนจะมารบกวนจึงพยายามหาที่ ท่านได้เล่าต่อไปอีกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศจากในป่าเข้ามาอยู่ในเมืองนั้นเป็นสิ่งควรทําเพราะจะเป็นการทดลองกําลังใจของคนที่ฝึกฝนมาแล้วเพราะ การอยู่ป่าจึงมีส่วนดีและส่วนเสียอยู่เหมือนกันเพราะหากว่าเกิดเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่ง ท่านเล่าต่อไปว่าในครั้งพุทธกาลพวกฤาษีจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานท่านจะอยู่เป็นเวลา 4 เดือนฤาษีทั้ง 500 จะอยู่ป่าหิมพานต์ 8 เดือนฤาษีทั้ง 500 จะมาหาเศรษฐีและเพื่อจะได้ลิ้มรสอาหารนานาชนิดเพราะอยู่ ต้นไม้ใหญ่อาจจะมีเทวดาสิงอยู่จึงนี้พวกเราต้องการน้ํา เทวดาก็ปรากฏตัวให้เห็นกันจนทั่วถึงฤาษี ครั้งนั้นผมเป็นคนใช้ใหม่ๆไม่ทราบถึงว่าวันพระ 11 พวกคน ได้รับคําตอบว่าวันนี้เป็นวันพระทุกคนในที่นี้ต้องสมาทานศีลอุโบสถแม้แต่เด็กกิน เพราะวันนั้นเย็นแล้วผมคิดว่าแม้กึ่งอุโบสถก็ยังดีผม จนต้องถึงกับเอาผ้าเข้ามามารัด นครสาวัตถีฤาษีเหล่านั้นมีความดีใจเปเป 500 เป็นไป บัดนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกท่านเศรษฐีจะไปนมัสการท่านหรือไม่พวกเราจะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง 30.9 ตอนอุปมาฤาษี 500 ละทิฐิมานะเรื่องนี้หลังๆว่า 1 การที่ เพียงกํากุโบสถ 2 การได้มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วฤาษีบําเพ็ญฌาน เพียงแต่ยังไม่ได้อุบายที่ 3 การลงประเทศตาม และอาหารรสเลิศต่างๆแต่เราเข้าใจสงบทั้งภายนอกคือหาสีแสงของผู้คน เป็นเพียงการระงับยับยั้งกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ ความเร่าร้อนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน อันโดยพิจารณาถึงความจริงว่ามาเป็นเครื่องกั้นความจริงเสียโดย ตนเองมักจะตีความเช่นนี้มันก็ เข้าใจว่าตัวถึงวิปัสสนาที่แท้จริงเหล่านี้คือการเข้าใจตัวเองผิดเช่นมี 100 เข้าใจว่า ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้อธิบายธรรมะต่างๆนี้แล้วก็เล่านั้นไม่ต้องพูดถึงรถยนต์แม้แต่ถนนรถยนต์ก็ไม่มีแต่ เป็นความพอใจเพราะต้องการวิเวกซึ่งเป็นการเหมาะสมสําหรับสมณะและการ สมควรแก่การอยู่เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมก็บ้านห้วยสายในเขต แต่ถ้าเป็นภูเขาก็อย่าให้ ท่านว่าคนตื่นนี้มันยิ่งกว่าวัวควายตื่น เมื่อเกี่ยวกับการทำความเพียรอันจะเป็นผลทางใจอย่างนี้แล้วจะเป็นผลทางใจอย่างนี้แล้วแล้วท่านจึงปรารภความ แต่จะไปรุ่งโรจน์ในเมืองและการทุดงของพระภิกษุสามเณรนั้นจะเบาบางลงไปเพราะจะหา สั่งสอนส่วนในเมืองทั่วให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติจึงทําๆไปญาติโยมก็จะสนใจการปฏิบัติธรรมมากและจะเกิด จะพากันสนใจกรรมฐานมากขึ้นในอนาคตพากันสนใจ 30.10 ตอนจัมพันษาสอนแม่ปังอำเภอจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช 2477 นับ ในการเดินท่องเที่ยวอย่างโดดเดี่ยวในถ้ำกลางขุนเขาลำเนาไพรแห่งสัตว์ร้ายนานาทุกเมื่อทุกขณะในเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้วกวนท่องเที่ยวอยู่โดยการ จึงทําให้ท่านได้รับผลแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป ครั้งนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์จําพวกเสือหมีหมูป่าเข้ามากินบัวควายทําร้ายผู้คนหรือ เข้าใจในเหตุผลแห่งความเป็นจริงโดยไม่ให้มีความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลเพราะเหตุผลเป็นความจริงในพระพุทธศาสนาโดยท่านได้สอนเน้นถึงว่าคุณธรรมนั้นมีความสำคัญยิ่งนักเช่นที่เราพากันกราบไหว้พระพุทธปฏิมาก่อนนี้มิใช่ว่าเราไหว้หรือนอบน้อมต่ออิฐคูนทองเหลืองทองแดงทองคำ หรือไม้ดินเพราะนั่นเป็นแต่เพียงวัตถุก่อสร้างธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปเรา อย่างนี้ชื่อว่าไหว้พระองค์ท่านด้วยคุณธรรม เพราะถ้าพระธรรมคําสอนที่กล่าวแล้วไม่ คือพระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงๆพร้อม เป็นเนื้อนาบุญอันเอกูของชาวโลกดังนั้นเมื่อเราจะกราบ เรากราบผู้ที่ท่านปฏิบัติดีอย่างนี้ชื่อว่ากราบ สรุปแล้วกราบไหว้ใดๆก็ตามถ้าเรากราบโดยยึดเอาคุณธรรม สิริฟังโยมเค้าอธิบายถึงคําสั่ง สรรสอนต่อไปว่าศาสนาคือตัวของเราและอยู่ที่ตัวของเราเพราะเหตุไรก็เพราะว่าตัวตนของคนเรานี้เป็นที่ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติที่ตาหูลิ้นกาย ไม่เห็นให้ปฏิบัติที่อื่นๆนอกจากที่ดังกล่าวซึ่งถ้าคน บางคนว่าศาสนาอยู่ในวัดวาอาราม ถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการละบาปบำเพ็ญบุญเราจะต้องไปทําชั่วซึ่ง คือการปฏิบัติโดยการยกตัวขึ้นตนขึ้นจาก ท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่าสำหรับอำเภอพราวนี้มีภูมิคมเลเหมาะแก่การบำเพ็ญๆไปที่ ดูประหนึ่งประตูของกำแพงเมืองบริเวณนี้แวดล้อมด้วยขุนเขา สมควรประกอบกับลูกสิทธิ์ลูกหาของท่านได้อยู่พักเพื่อการบำเพ็ญซึ่งก็ได้ และเมื่อท่านได้มาอยู่ทางภาคเหนือ เมื่อท่านอยู่ที่อำเภอนี้นานเข้าทําให้มีการเล่าลือว่าท่านอยู่แห่งนี้นาน และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงเพราะการปฏิบัติจิตใจจะต้องศึกษาให้ พระตรายพิดกในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีความมหัศจรรย์มากมีอุปมาเหมือนเปิดของที่ปิด ได้แพร่สัมผัสไปอย่างรวดเร็วทําให้ ยังไม่มีผู้ใดๆด้วยเหตุนี้จึงทํา ความขยายตัวของคณะปฏิบัติก็กว้างขวางป่าใหญ่ออก มีความมุ่งหมายที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติทางใจจริงๆในกรณีนี้ท่านเองมี ประนําและทุกครั้งที่มีการศึกษานั้นศึกษากับท่านต่อไป ที่กล่ากล่าวเช่นนี้เพราะเป็นความจริงซึ่งผลปรากฏจนถึงปัจจุบันผู้ที่ดำเนินจิตปัญญาภโลพระอาจารย์เทศเทสรังสีพระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์กงมาจิรคุณโยพระอาจารย์ขาวอนารโยพระอาจารย์ชอบพระอาจารย์ 800 องค์ที่เป็น ทั้งตัวของท่านและผู้อื่นข้าพเจ้าจึงกล้าพูดว่าไม่มียุคใดที่การการปฏิบัติกันเท่าไหร่และดูยังลึกลับ เนื่องจากว่าอุบาสกอุบาสิกาได้รับผลคือความเยือกเย็นสบายเห็นความบริสุทธิ์ คนอื่นต้องเสียหมดไปอื่นถูกบ้างผิดบ้างหมดไปจึงปรากฏมีการ 13 ปีเท่านั้น 2476 ก็มาได้ความดีของการปฏิบัติจิตอย่าง บางพวกก็พูดว่ามัดผลไม่มีแล้วผู้ก็พูดว่ามรรค 30.11 ตอนณทุ่งนําข้อจังหวัดเชียงใหม่ขั้นสูงณทุ่งหมากเค้าพุทธศักราช 2478 ดังได้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินทุรดงวกเวียนอยู่ในอำเภอนี้หลาย บางองค์บางท่านพยายามฟังข่าวและเสาะหาท่านอยู่หลาย ที่จะเพราะหลังจากการทุดงแสวงหาความสงบสิทธิ์อีกครั้งตามแล้วสมควรจะแก้ไขปรับพร้อมและมีประสิทธิภาพยิ่ง จะเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนพุทธบริษัทโดยทั่วไปจึงปรากฏ ให้สูงยิ่งขึ้นทางอาจารย์ต้องการใหให 8 ปีนับแต่บัดนั้น ก็กำลังเลื่องลือว่าท่านเป็นผู้ คาความดีงามในการปฏิบัติ ท่านพระอาจารย์กงมาท่านบอกว่าเนนอยากไปหาท่านพระอาจารย์ ก็ไม่ได้โอกาสที่จะขึ้นไป 2485 เมื่อคณะศิษย์ทั้งหลาย ท่านก็แนะนําปฏิปทาข้อ เป็นหลักการที่ไม่ๆเพราะเหตุว่าการกระทําเช่นนี้ต้องมีความหนักแน่นลําบากและทุรกันดารตลอด การและสถานยังเป็นลักษณะบ้านป่าช่างเป็นก็ยังไม่รู้วัฒนธรรมต่างชาติอะไรเช่นนั้นเหตุ จึงทําให้คณะกรรมฐานในสายของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งต้องการความสงบวิเวกปราศจากความ เขาทั้งหลายก็เชื่อฟังทั้งหลายก็เชื่อฟังไม่ต้องคอยดุด่าเอาในเมื่อผู้คน ที่ได้รับ 30.12 ตอนสัพพย 38 ปีโดยหวน เตรียมพร้อมไปด้วยเสียงจักรจั่นและเรไรในประกายแวววับประยิบประยับจับหัวใจของ หรือซึ่งนับว่าเป็นทางยาวเหลือประมาณดี 80 กว่ากิโลเมตรแม้แต่แสงไฟซึ่งใช้ตะเกียง ที่แสวงหาความวิเวกทางกายและทางจิตแม้ๆก็ดีไปด้วย ผู้แสดงก็สงบสถานที่ก็สงบจึงนับว่า 30% ซึ่งแม้อ่อนลึก สุขุมคัมภีรภาพไพร้อนุ่มนวนควรจะการสดับสักเพียงใดก็ตามผลทำไมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านได้สงัดแสดง อีกผู้ฟังไม่สงบหนึ่งเล่าผู้ฟังไม่สงบคือไม่ 50% เพราะขาดภาชนะที่รองรับคือผู้ฟังเหมือนกับน้ําตก ก็ไม่แต่เมื่อผู้ฟังไม่มีความตั้งใจแล้วจะขังอยู่ได้พระธรรมแม้จะดีสักเพียง แสดงเหล่านี้ชื่อว่าความไม่สงบของผู้แสดงหวังเพื่อกันเทศน์บ้างเหล่าท่านพระอาจารย์มั่นทันว่าความสงบจากซึ่ง ข้าพเจ้าและสหธรรมิก 30.13 ตนจำพรรษากับชาวเขาเผ่ามูเซออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย 2479 ท่านพระ เมื่อคณะศิษษากันมาหามากขึ้นทั้งเก่า อากาศพ síน seams between gray and pebb3 อากาศหน super dark sensor at least in half of this. อากาศมืนarsi aşk alternate girl. ไปส์เชื่อ nubiko't for a taste of a n holiday. อากาศมืน MUSIC chips games. express off of the local인지조que sahaja.표 million cro account of creativity and glutовой prices on aunque đ siihen SECRETấn savage一樣. อากาศพياสตรงนั่นเอง.到 rumledge square in Sanern university. ถ hvisensch Buildiness goodness, their dining room make some beauty and peròsts비 in his ได้ impresioné n week for science. นั่นเอง ท่านเล่าว่าพวกชาวเขาเหล่านี้รูปร่างก็ไม่เลวแต่นักไปในทางเป็นคนจีนอยู่ที่วิเวกเป็นเหตุให้มีจิตใจไม่คิดถึงโลกภายนอกซึ่งมีแต่ เมื่อคณะศิษย์มามากท่านก็ให้อุบายซึ่งเป็นประโยชน์กันกับ เป็นเพียงสัญญาและตาภายนอกจึงเป็นเรื่องของความ ทำตัวให้เป็นสัมมานุที่ถูกต้องเป็นอย่างดีต่าง ความเป็นเช่นนี้เองที่สามารถยกระดับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือวิปัศนากรรมฐานอันเป็นทุรสําคัญทุรหนึ่งในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏเป็นที่แจมแจ้งในยุคนี้เพราะเหตุแห่งความจริงนี้เอง บงดุเขียวชอุ่มเหมือนช่างภาพมาระบายสีเมื่อลิงคายมีมาก มันก็พากันมาหากินเป็นหมู่ๆไต่เต้นตาม อันเสียงสัตว์เหล่านี้แม้จะดังพอสมควรตัวแต่ก็ยังเป็นเสียงวิเวกวังเวงอยู่นั่นหรือเสียงคนเอะอะหรือเสียงรถเสียงเรือบินเรือ ฝูงนกจํานวนมากนานาพันธุ์มันคงจะไปหากินแล้วกลับมารวมรังมันบินกันมาเป็นชุดๆหลากสีจะไม่ได้ว่า ทำไมหนอเสียงเหล่านี้จึงไม่เป็นภัยเมื่อเวลานั่งสมาธิเหล่านี้จึงไม่ไม่ต้องใช้ความพยายามจนเกินเหตุภัยเมื่อเวลา แปลว่าในป่าใต้โคนไม้รื่นว่างเป็นที่สมควรแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเป็น แม้พวกมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนมนุษย์ ผู้มีจิตใจไม่แก่กล้าจริงๆแล้วจะต้องให้คิดถึงบ้านแทบอยู่ 2479 นี้ท่านถึง ท่านได้เล่าเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบการวิวัฒนาการทางแก้ไขธรรมชาติแก้ ทำไมมันจึงดีมากเพราะเราจะได้ยินเสียงขัน 3 ชั่วโมงต่อ เสียงนี้จะส่งมาไกลมากแล้วมันก็ไม่เป็นภัย รู้ก็จะตามเสียงของมันพวกพวกมันคงจะคิดกันว่าในตอนนี้ดึกแล้วตรงไหนก็จะตามเสียงของ รักษาธรรมชาติเอาไว้เถิดเพื่อให้ได้ศึกษาหรือหาความเย็นใจหรือความสงบท่านของท่านก็จะ แล้วก็นํามาบรรยายเป็นพระๆอันเป็นทางนําไปคืน มีทั้งเหวรหันลำธารน้ํายังความ เสือโคร่งเสือเหลืองช้างและงูจงอางเป็น ranging เมืองesy gł w g g s lew ไม่ be Systems grind aquele be. explicitly mi В r i y r o b prof i y how y lemme o z y o d i o n t st trots it is a thing and you must look down on it. The сим per Love will be Cen she faze meek. I felt 12 dm to the edge. The more Xingheld handling your Events all. Nac, Flip on the скτ紙 and magic sounds. ผดแต่มันก็หาฟังยากเหมือนกันลงอย่างน่าประหลาดใจทีๆจึงจะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงเรา อันการทุดงนี้ท่านพระอาจารย์มั่นและศิษย์ถือเป็นจิตวัตรที่ ธรรมะอยู่ในตัวเราแต่การไปตามถ้ําป่าเขานี้ก็เพื่อแสวงหาความสงบให้ได้เนื่องจาก ก็ต้องบรรทอนทางกายให้มากเช่นการออกบวชก็ตัดไปส่วนหนึ่งออกบวช<มา> ยิ่งทันตัดมากเท่าไรทนทักมากเท่าไหร่การหดตัวของอารมณ์ก็ ท่านพระจารย์มั่นท่านอธิบายให้ข้าประเจ้าฟัง 30.14 ตอนจำพรรษาที่ 2480 การบำเพ็ญประโยชน์ การไปไหนแต่ละแห่งต้องใช้การ ที่พวกบาทหลวงเหล่านั้นไปสอนทั้งแจกสิ่งผีปีศาจอยู่แล้ว จำนวนมากทั้งเชียงรายเชียงใหม่คณะของท่านพระอาจารย์ จากการจำพรรษาบนภูเขาออกพรรษาแล้วแต่คงท่านเล่าว่าในเขตเชียงใหม่เชิงรายนี้มีวัดเก่าๆ200 กว่าวัด จากปรากฏการณ์ที่เป็นวัดร้างจํานวนมากนั้นทําให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าการที่ประชาชนในการก่อนแม้ความเจริญในทางวัตถุ จะเกิดขึ้นได้นั้นมิใช่ง่ายๆต้องเสียสละร่วมกันทั้งกําลัง แต่ละวัดนี้จะขาดเสียมิได้คือพระ 2480 นี้แต่ท่าน เพียงแต่เห็นว่าเป็นสภาพที่สงบสงัดสมควรแก่การที่จะบำเพ็ญสมณะธรรมได้และสม เข้าบ้างโดยเฉพาะสมภารก็ต้องทํากันเอิกเกริกพิสดารทั้งเชื่อว่าวิญญาณเมื่อเข้าใจ ทำให้จิตใจของบุคคลผู้เข้ามา การที่ท่านต้องเปลี่ยนที่อยู่เสมอนั้นท่านมีความประสงค์ไว้ เกี่ยวกับการเอาอกเอาใจท่านถือเอาพระเนนเป็น และตั้งใจฝึกฝนพระเนนเป็นพิเศษซึ่งต่างกับพระอาจารย์อื่นๆใจฝึกฝนพระเนนเป็นพิเศษซึ่ง หรือท่านปล่อยเวลาต่างๆไปสอนอยู่ที่โยมเสียส่วนมากปล่อยเวลาต่างๆไปสอนอยู่ที่โยมเสียส่วน ท่านเหล่านั้นได้เดินทางไปประกาศสัจธรรมนี้ เป็นเรื่องของคุณธรรมที่สูงจึงมีคนเลื่อม ในรายงานนี้ต่างก็เป็นที่ทราบ มีการเดินทุรดงซึ่งหมายความว่าไปหาสถานที่วิเวกมิใช่ไปแสวง การรวมตัวของศิษย์มากขึ้นถ้าไม่ท่าน 12 ปีนี้เป็นการศึกษาถึง บวชอุทิศตนต่อการปฏิบัติอย่างจริงจังนั้น 12 ปีของการอยู่ภาคเหนือยังไม่เห็น ปฏิบัติกันอย่างจริงจังมาแล้วก็ตามยังได้ บรรดาผู้ที่มาสึกผลๆไปทุกคน ที่มีความรู้พอสมควรเดินทางไปตามหมู่ เนื่องจากตามชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญขาดผู้ แต่เมื่อเขาได้รับรถพระธรรมเมื่อเขาได้รับรถพระธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติธรรมคือการบำเพ็ญๆเพิ่ม การออกไปเที่ยวแนะนําสั่งสอนประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆนั้นก็ เพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆปรับปรุงการสอนให้ถูกต้องซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่ต้องให้เสียเวลาที่จะต้องตามไปบอกองค์นั้นองค์นี้การดําเนินการสอนเป็นไปในแนวเดียว แต่ก็พยายาม 30.15 ตอนจำพรรษาวัดเจดีย์หลวงและธรรมนิมิต 2481 ถึง 2482 ท่านกล่าวให้ข้าพเจ้าฟังว่าเรามา เราได้เดินไปตามทางได้ขณะที่เราเดินไปนั้นไปตามทางซึ่งทางนั้นโล่งเตียนสะอาดขณะที่ซ้าย บ้างก็แยกไปทางขวาบ้างก็ล้ําหน้าแยกไปทางขวาบ้างก็ล้ําหน้าเดิน จึงขอให้ท่านพระอาจารย์จงได้กรุณาแก้ไขปัญหานี้ให้กระผมด้วยเมื่อท่านได้ การตั้งตนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานภาวนาและไม่มีคุณภาพคือต่างก็จะสอนๆผลที่เกิด นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้พิเศษแต่การต่างคนต่างตั้งตน จะถือเอาอาจารย์ไหนจึงจะถูกนี่คือการแก้ธรรมนิมิตที่พระอาจารย์มั่นท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล่วงการผ่านไวมาถึงบัดนี้ก็ 38 พรรษาแล้วนับแต่บวช 16 17 ปี จำความได้ว่ายังไม่มีการนิยมเรียนและ กับศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นเช่น 13 ปีเท่านั้นและรู้สึกว่ามี เป็นการเปิดศักราชของการปฏิบัติธรรมขึ้นอย่างกว้างขวางจนปรากฏว่าทุกๆ และกระจายกันทั่วๆไปจนปรากฏเป็นวัดป่าอันเป็นแหล่ง และผู้ต้องการสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลก็ต้องทํากรรมฐานและทรงตรัสสนับสนุนผู้ทํากรรมฐานจึงเป็นการถูก 31 ตอนพระอาจารย์เทศอารัตนาพระอาจารย์มั่น ก็จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายอะไรมากนักแต่ว่าควรจะได้ปรับปรุงที่ แต่จะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามพุทธบริษัก็คงจะมี ศิษย์เวรศิษย์ของท่านจํานวนมากที่ 10-10 ปียังไม่ปรากฏว่ามีนักบวช และบัดนี้ก็เป็นเวลาๆเมื่อ ประกอบกับพิจารณาเห็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาท่าน และแน่ใจพอสมควรแล้วแน่จูมพอสมควรแล้วท่านก็มี 2482 ท่านเจ้า มีความกระหายที่จะได้พบพระอาจารย์มั่นทั้งฝ่ายพระอาจารย์มั่นเมื่อทราบว่าศิษย์คนโปรดคือท่านท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนี้แต่มาอาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น และเป็นสามเณรที่ว่านอนสอนง่ายท่านกับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีหลวงท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็น 12 ปีของการอยู่ภาคเหนือ ด้วยเหตุผลเป็นไปตามสมควรนักปราชญ์ผู้ฉลาดเมื่ออยู่ในสถานที่แห่งใดย่อมทํา พระภิกษุและประชาชนจะได้พยายามที่จะทําให้เป็น ปรากฏการณ์เช่นนี้ควรจะ 32 ตอนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระกลับภาคอีสานพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ก็ไม่มีอะไร ท่านก็ประกาศให้ศิษย์ผู้เคยปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านให้ทราบบาง กำหนดจิตจนปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นรถไฟหรือความปกติการเดินทางเป็นวันเป็นคืนเหมือนชั่วขณะเดียวและสบายมากมีความเบาหลังจากลงจากรถ ข้าพเจ้าได้ฟังความข้อนี้แล้วรู้สึกเคารพและเลื่อมใสยิ่งที่ท่านได้กระทําความเพียรอยู่เป็นตัวเองเช่นนี้ทําให้ๆคํา คือไม่เลือกการไม่เลือกเวลาสามารถจะประเพณจิตได้ในทุกสถานในการ ก็เพียงได้พบกับท่านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ศิษย์โสอ้วนเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวัฒน์แห่งสำหรับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นี้ก็มีความเลื่อม จึงเป็นโอกาสอันงามที่จะปฏิบัติธรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นสมเด็จจึงถือ ไม่มีตำราจะหาธรรมะที่ถูกต้องได้อย่าง จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อม แต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระตัยปิฎกได้ยกตัวอย่างเช่นสังคิจจสมณเณรเพราะเหตุที่ น้ำไม่มีใจทำไมเค้าจึงทำเอาตามประสงค์ได้เรามีใจทำไมไม่ทำใจให้เป็นไปตามท่าน และได้แวะจังหวัดนครราชสีมาพักอยู่วัดป่าสารวรรณขณะนั้น เป็นโอกาสที่ท่านจะได้แสดงธรรมอันเป็นส่วนของการแก้ไขจิตทั้งพระเถระทั้ง แก่พระเถระทั้งหลายจน ไปจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศใน พ.ศ. 2483 ถึง พ.ศ. 2484 ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดเผยตัว 12 ปี จึงได้กล่าวว่าท่านได้เปิดตัวท่านจําพรรษาอยู่ใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรทั้ง ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้อย่างรวดเร็วพระเล็กเนน้อยพระเถรานุเถระจึงหลั่ง ท่านจึงสร้างท่านก็บอกว่าจะพาไปสายงามบ้านหนองบัวจังหวัดจันทบุรีอยู่ท่านก็บอก 2484 ข้าพเจ้าก็ได้และ เพื่อให้นําไปหาพระอาจารย์มั่นให้อุดร แล้วก็ตรงไปยังจังหวัดสกลนคร 32.1 ตอนจำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัด 2483 2485 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงการมาอยู่ที่วัด ได้อยู่คณะทิฏฐิระทางการกระทบเพื่อความมั่นแต่ยังไม่สามารถจะรวมกําลังของพระภิกษุสามเณรที่เป็นพระปฏิบัติ หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ความร่ำรวยของพระภิกษุสามเณรก็จะมีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นความอ่อนแอของคณะได้ฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงได้สละเวลาถึง 3 ปีในการอยู่ที่วัดนูนิเวศจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมาอยู่ที่นี่แล้วพระเถรานุเถระทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดพลังคณะสงฆ์ขึ้นเพราะท่านอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรเป็นอันมากององ 10 องค์ถึง ก็เข้าไปอยู่ศึกษาธรรมปฏิบัติเป็นครั้งคราวและก็ได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งทางด้านจิตใจ จึงถือว่าเป็นการฟื้นฟูคณะ กำลังพระธรรมยุตเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยรับข้อขึ้นอย่างใหญ่หลวงแก่ ครั้งนี้ก็ต้องระลึกถึงพระคุณ แหมหมู่คณะธรรมยุทธภาคอีสานที่ 32.2 ต.เสนาชนะ บ้านโคกตําบลตองโคกอําเภอเมืองจังหวัดสุคนนครพุทธศักราช 2485ณสถานที่ ที่ข้าพเจ้าได้อยู่จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพรรษาแรกเช่นกับนัก ในพรรษานี้ตามที่ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่าท่านพระ ก็จัดความสงสัยนานัปการแก่บรรดาศิษย์ทั้งเช่นเดียวกันเช่นคําว่ามัชฌิมา ทำ 2 กามสุคคลิกานุโยคผู้หมกมุ่นในกามนี้ชังเกลียดผู้นั้นยังไม่ถึงหนทางกลาง ถือว่ายังใช้ไม่ได้หรือผู้ที่บำเพ็ญจิตกล่าวโทษผู้อื่นที่มีไกลความ ด้วยความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในเหตุผล ทั้งนี้เพื่อดําเนินการเหรียบพระภิกษุท่านพระอาจารย์มั่นได้เสีย ได้เข้ามานมัสการหรืออยู่กับท่านในระยะนี้เรียก การเลื่อมใสยิ่งของมหาชนได้ ไล่ท่านคณอาจารย์ก็ 32.3 ตนเสนาสนะป่าบ้านนามนต์ตำบลตองโขบพุทธศักราช 2486ณที่ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระอาจารย์คงมาจิรคุณโยพระอาจารย์องค์แรกของข้าพเจ้าในครั้งเป็นเช่นไม้ยางไม้ตะเคียนไม้เต็งไม้รังไม้ ท่านได้เลือกเอาสถานที่นี้จังบรรสาซึ่งก็ไม่ไกลจากเสนาสนะเป็นการเปลี่ยน ที่ได้จําพรรษาอยู่ณที่นี้แล้วก็ไม่สามารถจะอดใจได้ที่คิดถึงผู้อื่นที่ไม่ได้หนังสือนี้ข้าพเจ้า เพราะพระคณาจารย์เหล่านี้มิได้มีการอาราธนาหรือบอกกล่าวแต่ พระพเจ้าอย่างอัศจารย์ได้แปลกใจในการมาของคณนาจารเหล่านี้ล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่และผู้น้อยผู้ติดตามจึงเป็นเดกให้การณประชุมรวมตัวของคณะสงค์เป็นไปยังมีประสิทธิภาพอย่างล้นเหลือ เมเชนั้นคณะธรรมยุทธภาคอีสานคงจะไม่ ข้าพเจ้าจึงได้เป็นพระอุปถัมภ์แต่นั่นคือการแก้ไขสิ่งบกคร่องให้ได้ซา ท่านพระคณาจารย์ต่างๆเหล่านั้นล้วนมีคุณธรรมเป็น กุฏิของท่านพระ 32.4 ตอนจำพรรษาที่ 2487 พระอาจารย์ ท่านได้พยายามที่จะให้ท่านพระอาจารย์มั่นกลับมา 2 ใน เพราะไปไหนก็ต้องเดินด้วยเท้าคมนาคมยังไม่ดีไปไหนก็ต้องเดินด้วยเท้าด้วย เหมาะแก่การสร้างวัดในทางปฏิบัติกรรมฐานซึ่งหาที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจนเกินไปพออาศัยบิณฑบาตยังชีพของสงฆ์เป็นสถานที่สนบสนับดีจึง ก็จะกลายเป็นสำนักสงเถินแม้ท่านพระอาจารย์ทั้งหลาย จึงเป็นที่ทราบจากท่านพระ เพราะการที่พระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาต่างๆก็ตามมาเป็นธรรมดาแต่เพราะความหรือ เพราะไม่มีเสียง. ไม่มีเสียงสิ่งที่จะมั่นคงคือเป็นไปพอดีพอดีแต่หนักแน่นจากนี้ไปเป็น ในประวัติความเป็นมาของท่านพระอาจารย์มั่นพอนั่งต่ําท่านพร้อมกับได้ฟังเรื่องของเชียงใหม่ แต่การที่ท่านจะ 32.5 ตอนเดินทุดงที่ยาวไกลครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นทุรดงที่ยาว ท่านก็ได้ปรารถนาที่จะย้ายไปอยู่ที่บ้านหนองๆที่เป็นศิษย์ของ เป็นการเดินทางโดยเท้าอีกครั้งหนึ่งของพระอาจารย์มั่นพูริธิจ cr deleted r ซึ่งเป็นการเดินทุดงครั้งสุดท้ายแต่เป็นความกรุนาย่างยิ่งของท่านแกะข้าพ synthesチャンネル ในการครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งคือท่านได้ไปแวะพักที่บ้านหวยแคนอยู่ระยะหนึ่งเดินกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของพวกทรวง โดยแนะนําธรรมะต่างๆจนเขา 2-3 รูปทําให้ชาวบ้านแถวนั้นยินดีปรีดา พระเถรานุเถระได้ทราบข่าวการเดินทางก็ได้เตรียมตัวที่จะติดตามหรือตุ๊กแก่ผ่าน เดินวันเดียวไม่ถึงจึงทางทั้งการเดินทางก็ไม่ได้เร่งร้อนอะไรถือว่าค่ำไหนนอนนั่นที่พักที่มีหมู่บ้านอยู่ห่างๆออกเพราะถ้ารวมกันอยู่เป็นหมู่ก็จะลําบากด้วยอาหารบิณฑบาตส่วนข้าพเจ้าก็ได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นปุริทธจารย์เถระไปตลอดทาง เมื่อเป็นเวลาเย็นมากแล้วบ้านผักอีเลิศเป็นเวลาเย็นมากแล้วท่านจึงสั่งให้พัก แต่บางแห่งก็เป็นดงต้นไม้ๆเป็นดงทึบมองแทบไม่เห็นดวงอาทิตย์การเดินครั้งนี้เป็นการขึ้นลงภูเขาไปด้วยจึงทําให้ล่าช้าแต 75 ปี ก็ยังเดินอย่างกระฉับกระเฉงว่องไวเดินไปได้ จึงปรากฏว่ามีผู้คนอาศัยธรรมมาหากินอยู่ เพราะไม่มีโรงเรียนจึงทําให้ไม่มีบ่าย จึงออกเดินทางออกเดินทางถึงบ้านหนองผือประมาณ 5:00 น. ชาว จึงเป็นนอนมากไม่ได้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งคือต้องทําความเพียรได้อาจจะถึงล้มกวยและตายได้จึงปรากฏว่าผู้ที่มาหา ซึ่งผู้พังไปเป็นส่วนมากที่ต้องซ่อมแซมให้ไว้ได้มากนั้นหญ้าคามาแต่เดิมพุพังไปเป็น ก็ได้จากท่านไปอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ได้มาอยู่กับท่านตอนออกพรรษาเป็นเวลาหลายๆเดือนจนถึงปีสุดท้าย 32.6 ตอนทําไมพระอาจารย์ปีความจริงภูมิประเทศของ ต้องเดินทางจากถนน 3 4 ชั่วโมงจึงจะถึง 8 ชั่วโมงกว่าจึงซึ่งไม่เหมือนกับปัจจุบันแสดงว่าท่านพระ เพื่อให้ผู้สัญจรสะดวกเมื่อคนไปหามากก็ โยมก็มาวุ่นเสื้อเรื่อยทําให้เสียจังหวะไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านจึงหาที่อื่นและได้บ้านหนองหรือ ซึ่งมีต้นผือหรือต้นปรือเป็นต้นไม้สําหรับทอเสือเราเดิน หลายผ่านแม่ขาดสายอยู่แห่งหนึ่งซะก่อนและข้างลำทางมีหินก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเรียงรายกันอยู่เข้าไปถึงกลางลำทางเป็นหินมีหลัง ด้านหลังมีน้ําใสร่มเย็นนั่งฉันสบายว่าหมู่บ้านหนองผือมีลักษณะเป็นแอ่งเหมือนมะม่วงมะละกอขมิ้นมะพร้าว ทุกอย่างงอกงามมีใบสดเขียวชอุ่มการทํานาดีมากเหลืออยู่เหลือกิน มีบ้านประมาณ 75 หลังคาเรือนเรือนอาชีพพริกยาสูบฝ้ายพอเป็นเสื้อผ้าจนเหลือใช้มาปั่นเองพอเป็นเสื้อ ประวัตินี้กล่าวตอนท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตติธีระยังมีชีวิตอยู่วัดป่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ โดยมีทุ่งนาเป็นเขตกั้นระหว่างบ้านกับวัดในสถานที่อันเป็นที่ตั้งของวัดและบ้านบางครั้ง ตามธรรมเนียมของวัดหลุมเทอยากเยื่อมีศาลาสวดมนต์ศาลาหอฉันอายุ 75 ปีจึง เป็นเวลาถึง 5 ปีเมื่อเป็นชนีพระภิกษุสามเณรผู้ 2 วัด 3 ห้วย 4 บ้านอูน 5 บ้าน 6 บ้านดงบะที่ซึ่งท่านแยกย้าย โดยการชี้แนวทางในทางธรรมข้อแล้วก็กลับไปอันเกี่ยว ภิกษุสามเณรทั้งหลายที่อยู่โดยรอบใกล้บ้างไกลบ้าง มีสมรรถนะและความสามารถสูงมีการดำเนินทางจิตที่ถูกต้องมีความเมตตาต่อหมู่คณะท่านจะต้องกล่าวถึง พวกเราและพวกเทระรุ่นใหม่พวกเราและพวกเถระรุ่นใหม่จะต้องทราบ ท่านพระอาจารย์มั่นก็จะได้วิสัชนาและแสดง 32.7 ตอนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธตะธีระ ที่บ้านหนองผือนี้นานถึง 5 พรรษาจึง 13 ปีก็ได้ทราบข่าวแล้วแต่ก่อน โดยปกติปกติท่านจะอยู่จําพรรษาในป่า ส่วนอุบาสกอุบาสิกานั้นยากนักที่ ผู้ท่านดวงใดได้ติดตามศึกษาปฏิบัติอยู่กับ 13 ปีจน 23 จึง ประชาชนได้ทราบข่าวว่าท่านพระอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เคยเป็นๆก็มิได้ บางก็ทั้งภาคเหนือและภาคใต้กันมา บรรดาท่านที่เข้ามานั้นในปี 11 มีประมาณถนนหนทางก็ไม่สะดวกแสงที่จะกันด่านและอากาศ พักอยู่กับท่านเกิดอาการแพ้อากาศ ก็ได้เดินทางมาอยู่กับท่านเดินทางมาอยู่กับ จัมปันษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนี้ตลอดระยะ มีแม้ผู้ใดเข้ามาหาท่านเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเลยแม้ผู้ใดเข้า สมมวนซึ่งบางแห่งบางข้อเรอมากซึ่งบานแห่งบางข้อ จะยามสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งหลายโดยทุกวิธีทางทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อๆ ในการที่ท่านอยู่ที่วัดหนองผือนี้มีความประสงค์เพื่อให้บรรดาศิษย์เก่าและท่าน จะอยู่ไปไม่ได้นานแต่เป็นผู้เข้าใจในธรรมะแห่งสังฆานธรรมจักร 12.8 ตอน ปฏิบัติอันเป็นอัจฉริยวัตรของท่านนั้นเป็นไปโดยจะเผากว่าเดิมไปบ้างก็ยังปรากฏว่า ก่อนออกบิณฑบาตตอนเช้าท่านต้องขึ้นสู่ที่จมๆมีการเก็บบาทกวาดสถานที่เทกระถนเก็บ การซ้อนผ้าสังฆาฏิเข้าสู่คัวจรคามนั้นไม่เคยขาดเลยเว้นแต่จะมีใหญ่เท่านั้นเมื่อท่านเดินจงกรมจนถึงเวลาที่ออกเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ลงจากที่จงกรมไปสู่โรงฉันศิษย์ทั้งหลายก็ถวายผ้าสังฆาฏิช่วยครองกลัด ไปก่อนโดยไปรออยู่ที่นอกอุปจารบ้านเมื่อท่าน การบินทบาทใช้สไภ้อุ้ม นั้นเมื่อท่านมาถึงวัดแล้วพวกศิษย์ก็เตรียมรับผ้าสังฆติเอาออกพึ่งแสงแดดพอสมควรแล้วก็เก็บไว้เป็นเว้นแต่ๆ เว้นเสียแต่ว่าไปไม่ได้จริงๆซึ่งตามธรรมดาเมื่อสุขภาพและกําลังของท่าน แม้แต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเสด็จไปและพระ เมื่อคราวท่านอาพาธครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อเข้าบิณฑบาตตลอดบ้านไม่ได้ก็ไปเยี่ยมครึ่งๆจึงงดอัน ในข้อวัดปฏิบัติของท่านในการออกบิณฑบาตเป็นวัดอ1 การ เป็นปัจเฉทนะบางครั้ง 12.9 ตอนบทสรุปผลงานท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์ สันดานพิจารณาถึงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจเวแบก 12 ปีในที่สุดที่สุดลูกหาเก่าแก่ซึ่งท่านได้อบรมไว้ก่อนแล้วนั้นได้ เมื่อบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านได้ทราบข่าวถึงการกลับมาอยู่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะบ้านหนองผืออำเภอพรรณานิคมซึ่งท่านอยู่นานกว่าทุก ท่านต้องการที่จะแถลงนโยบายหรือ 12 ปีที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่ง ก็มีประโยชน์ที่ได้ 2492 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของชีวิตเป็นปี ท่านพยาบาลไว้ล่วงหน้าล่วงเลยมาเป็นเวลาทุกวันทุกวันเมื่อเดือนที่ 1 ผ่านไปอาการของท่านไม่มีเบาขึ้นเลยถึง ต่อมาอาการของท่านก็พอจะค่อยยังชั่วขึ้น ท่านก็ได้บอกพระที่อยู่ใกล้ชิดว่าชีวิตของเราใกล้จะสิ้นแล้วให้รีบส่ง เมื่อได้รับจดหมายบ้างโทรเลขบ้างต่างก็พระอาจารย์มั่นยังบ้านหนองหรืออัน 1 เมเมค่ำ พ.ศ. 2492 ท่านพระจารย์มั่นลุกขึ้นเดินไปไหนไม่ได้เป็นวันแรกบรรดาพระจารย์ได้เข้าไปประชุมกันอาจารย์มั่นลุกขึ้นเดินไป ถือเป็นการถูกต้อง 32.10 ตอนพระอาจารย์ นบเป็นลาภของชาวหนองผือยิ่งทุกๆปีจะมีคนมานิมนต์ให้ท่านไปทางโน้นทางนี้แต่ท่านก็ มาในขั้นสุดท้ายชีวิตของท่านพระอาจารย์มันชาว ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องด้วยศพของเราจะ 9 ค่ําเดือน 12 นั่นเองตกลง ท่านพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งของพวกเขาจะว่าแผ่นดินจะสุด ฟังเหตุการณ์จนถึงรุ่งสางของวันใหม่เมื่อทราบแน่ ภิกษุสามเณรครั้งเมื่อถึงกําหนดเวลาเช้าวันนั้นต่างก็รีบซึ่งเป็นวันไปจากบ้านหนองผือของท่านพระอาจารย์มั่นชาว น้ําตาร่วงไหลทุกคนตารื้นไหลทุกคนส่วนพระเถรานุเถระได้มา ละนี่ก็เป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิต 10 ค่ําเดือน 12 ราว 9:00 น. อันเป็นวาระ ได้สอดสายไปดูญาติโยมจนท้วนทั่วแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรครั้นแล้วขบวนก็ได้เคลื่อน ออกหน้าและตามหลังเป็นราวกับว่าบูชาจะพัดพรากจากไปทั้งทั้งที่แลเห็นแต่ก็ทํา ก็มาบัดนี้ท่านได้ผ่านไปๆกับ เป็นระยะเวลาถึง 5 ปีทีเดียวในวันนั้นเปคน 200 คนเศษเมื่อขบวนผ่านพ้น คับแค้นแน่นใจอย่างที่ไม่เคยๆทั้งทั้งที่ความเศร้าโศกแม้จะปรากฏขึ้นซ้ํา ก็ควรคิดไปในเมปิเยหิมนาเปหินานาภวุวินาภวุแปลว่าขบวนได้ไปถึงบ้านห้วยบุญจะ เพิ่งรู้ออกเอ้าทําไมไม่รู้เรื่องหรือยังไงท่านพระอาจารย์หลุยจึงได้ตอบทันทีว่าแหม อยู่ทางพวกหามก็ผลัดกันเข้าเคลื่อนขบวนกันไปเรื่อยๆโดยอาการ เลียบไปตามชายภูเขาประกอบกับเนินสูงๆๆทั้งขึ้นโคกๆไปมีทั้งต้นๆหลายอย่างหลายประการมีทั้งสมอมะขามป้อมซึ่ง 32.11 ตอนพระผู้คนไปส่งก็พากันกลับมั่นโปรดๆ บ่ายโมงถึงบ้านโคกกระงงได้หยุดพักถวายยาชูกําลัง ประชาชนต่างก็พากันหลั่งไหลออกมาดัก ชาบ้านcurrentเป็นการใหญ่ ต่างคนก็ต่างจะเอาไป Bloomจะเอาไป ใหให้ไปบ้านนาผู้ดีกว่าขบวนจึงตกลงไปวัดป่าบ้านนาผู้ท่านพระจารย์มันจึงบอกแก่พวกขบวนว่าเราต้องการไปโปลดในออนและนางสำขบวนหามก็ข้ามทุ่งน่าซึ่งข้าวด้วยกำลังออกรวงเหลืองอารามเต็มท้องทุ่ง เจ้าของนาก็ออกมารับของนาก็ออกมารับและประวรนาๆเจ้าของนาว่าในเจ 21 นาฬิกาพอครั้งนั้นแหละจึง ทั้งทางไกลและทางว่าท่านพระอาจารย์มั่นเวลานี้พักอยู่วัดป่าดงนาผู้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาต่างหลั่งไหลกันเข้ามาอย่าง เพราะได้คิดว่าวัดนี้เป็นวัดของตนท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้มาพักสมดัง ท่านจึงถามต่อว่าสบายดีหรือสบายดีค่ะต่อเราเต็มทีแล้วสบายดีหรือสบายดีค่ะ ท่านพระอาจารย์สิงขัณฑยาขโมท่านเจ้าคุณอริยะคุณาธารสิงห์ปุจโสพึงจะมาถึงก็ทยอยกันเข้ามาว่า เราเต็มทีแล้วเต็มทีแล้วอาการหนักเหมือนบุรุษมีกําลังหลายคนจับคน การเข้านมัสการท่านวิพรอาจารย์มั่นนั้นเข้า กระบอกให้เขาเปิดประตูให้เข้ามาตาม 12.12 ตอนพระอาจารย์ นำเราไปวัดสุทธาวาสเถอะเหมาะดีดังนี้ตั้งหลายครั้งส่วนวันแรม 5 ค่ำ 12 ซึ่ง เพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นวันสุดท้ายแล้วชาวสกุลนครมีนางเพ 5 ค่ํานั้นแล้วแต่ด้วยเหตุที่นายโอนนางสําทัดทานอยู่ตลอดเวลา ท่านจะสิ้นใจไปเสียๆประชาชนและครุหัตต่างเนืองแน่น น. น, นก่อนที่ เราแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครอีกต่อไปเลยเข้าฌานสงบแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครอีกกงมาเจ้าคุณ ผู้ซึ่งเป็นเหลนของท่านเป็นผู้พยุงท่านไปต้องช่วยกันเยียดาจึงฟื้นเพราะการไปของท่าน จึงทําให้ไม่ทันคิดหลังหยับยั้งจิตไม่ทันอันทําให้เป็นเหตุให้ ท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดอันทําให้ 14:30 น. รถฟาโก้เล็กคันนั้น ก็นอนในสภาพปกตินอนในสภาพปกติชาวจังหวัดสกลนครเมื่อได้ยินส่วน ก็ได้นั่งประชุมกันอยู่ตลอดเวลาอาการของท่านก็ปกติอยู่จนกระทั่ง 24 นาฬิกาครั้นเมื่อถึง 1 อาการของท่านผิดปกติขึ้นทันทีท่านพระอาจารย์วันอุตตโมผู้ปฏิบัติใกล้ชิดก็ได้รีบไปแจ้งแก่พระคณาจารย์ทุกองค์แล้วก็พร้อมกันอยู่ในห้องเพื่อคอยดูอาการครั้นถึงเวลา 2 23 นาที ชีพจรทั้งหลายก็อ่อนลงหดเข้าทุกที จิตก็คิดว่าก็คิดว่าท่านพระอาจารย์ๆทั้งที่เป็นทางกายด้วยที่ทางใจด้วยทางขอจงอโหสิกรรมแก่กระผมด้วยเถิดด้วยทางชีวิตและความดี ก็จะยังคงเหลืออยู่จบลงแต่เพียง 12.13 ตอนถวายการประชุมเพลิงศพ แล้วก็ได้กําหนดการประชุมครึ่งเพื่อเป็นการ นับวันก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเพราะทั่วทุกสาลทิศ เพราะบรรดาทุกคนที่มากันนี้มิได้นําๆกับของที่จะมา ก็ไม่ได้ทําความลําบากหนักใจให้แก่เจ้าภาพเลยเพราะเมื่อทุก ซึ่งต่อมาคณะกรรมฐานหมายถึงคณะวัดป่าได้ถือเอาธรรมเนียมนี้ใช้ต่องานประชุมเพลิงศพหรืองานอื่นๆโดยต่างคนต่างเตรียมเสบียงมาพร้อม ซึ่งเป็นผลประโยชน์อันมหาศาลทําให้เกิดความเลื่อมใสในธรรมอย่างยิ่ง จึงเป็นๆข้าพเจ้าก็ตั้งใจฟังอย่างมิให้เหลือเศษคือฟัง บำเพ็ญกุศลต่อพระอาจารย์มั่นเนืองแน่นขึ้นทุกๆวันหน้าประหลาดใจวิทยุไม่มีโทรทัศน์ ในภาคอีสานแม้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ไปกันทั้งนั้นทั้งๆที่ทางคมนาคมไม่สะดวกเท่าใดนักทางรถยนต์ก็มีแต่ลูกรังเครื่องบินก็ไม่มีถนนจากกรุงเทพฯสู่ภาคอีสานก็ยังไม่มีแต่ผู้คนได้มา ข้าพเจ้ามองเห็นพระอาจารย์หัวแถวเข้าเมืองแล้วหางแถวยังอยู่ที่วัดสุทธาวาสเลยหมายถึงแถวเรียง 1 เป็นทัศนียภาพที่น่าเลื่อมใสยิ่งข้าพเจ้าเองก็ได้เข้าแถวบิณฑบาตเช่นเดียวกับสงฆ์องค์อื่นๆก็ยิ่งทํา คือได้สัมผัสด้วยตนเองจึง ผ้าขาวเหล่านี้เป็นผ้าที่ จำนวนหลายขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นตัวจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากขณะ 2492 ก็ได้หาโยม แต่เมื่อมาถึงท่านก็ให้ป่าโยมมนดาก็ได้ทําตามท่านแนะนําจริงอย่างที่ เป็นเวลาสามเดือนเต็มเวลา 3 เดือนเต็มเวลาๆท่านพระอาจารย์ทั้งหลายท่านจะเปิดเผย แต่ท่านก็แสดงทั้งๆที่รู้อยู่ว่า บัดนี้จะได้เคลื่อนศพแล้วเวลาอุบาสิกาทั้งในบริเวณนอกบริเวณวัดต่าง จากที่ตั้งบนศาลากําลังเคลื่อนลงมาอย่างช้า เป็นสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่บอกเหตุแห่งความเรื่อมใสสัทธาต่อองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริธตะเทระข้าพเจ้ารู้สึกใจหายวาบเป็นครั้งครั้งเป็นการหยุดเหมือนถูกสกด ในขณะที่ศพกําลังถูกเคลื่อนออกจากๆขณะ 3 วันที่จะถึงวันประชุมเพลิงบรรดามี ผ้าผ้าป่าบังสกุลตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพเจ้าได้สังเกตดูเป็น ข้าพเจ้าก็ถูกนิมนต์ให้รับก็หลายครั้งก็ถูกนิมนต์ให้รับก็ๆญาติโยมได้หลั่งไหล ก็คงมีเหมือนงานศพอุบาสกอุบาสิกาที่มีต่อๆโดยเฉพาะงานประชุม พลังแห่งความนึกคิดเป็นปรากฏการณ์ออกเวลา 17:00 น. ของวันเผาคือ เนื้อที่ของวัดกว่า 50 ไร่แม้เขาเหล่านั้นจะวาง น. นบัดนี้การประชุม แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้อารักขาอย่างเข้มแข็งถึงกระนั้นก็ๆพอควร เพราะไม่มีใครมีข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่ ในเมื่อสร้างโบสถ์เสร็จก็ให้เก็บอัฐิไว้ใน ได้ท่านพระจานมั่นโดยทั่วกัน ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงประวัติ 1 ตุลาคม 2512 เวลา 24:26 น. น 24. 26 ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้บันทึก 4 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2485 ถึงพ.ศ. พ.ศ. 2488 ให้เสียงบรรยายโดยเสียง